Buddham sariram gaccha. Buddham sariram gaccha. m i Dhammam sariram gaccha. Dhammam sariram. สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ปลัดสมทบพระกโมวัดกลาง อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องสภาสวะสังวรสูตรครั้งที่สามขอเชิญท่านรับฟังได้นำบัดนี้ครับ อรหมวุนากับกเรานะที่ตั้งใจในการที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทเจ้าในสภาสวะสังวรสูตรเป็นพระสูตรที่พูดถึงในเรื่องของการละอาสวะในพระสูตรนี้ก็มีความยาวพอสมควรนะนก็ศึกษากันเป็นไปตามลำดับก็ศึกษาทั้งในส่วนของภาคพอบบาลีแล้วก็อักขถา เกี่ยวกันในเรื่องของสภาสะวะสังวรสูตรดังที่ได้กล่าวในครั้งนี้ก็ขึ้นในเรื่องของอาสะวะที่พึงละได้ด้วยการโดยการเห็นครั้งที่สองก็คืออาสะวะที่พึงละได้ด้วยการสังวรพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสะวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้ด้วยการสังวร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยการสํารวมในจักขุนสีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สํารวมจักขุนสีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค like ้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สํารวมจักขุนสีอยู่อย่างนี้แล้วก็ ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมด้วยการสํารวมในโสตินซีอยู่จากขุนสีก็คือสํารวมตานี่ยนะภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมเป็นผู้สํารวมด้วยความสํารวมในคาณินซีอยู่ก็คือสำรวมจมูกภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมสํารวมด้วยความสํารวมในชิวหินซีอยู่ก็คือลิ้นเนี่ยภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวม ด้วยความสำรวมในกายยินซีอยู่พิกสุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในมณินรีคือในใจอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันทาความคับแค้นเราใดพึงมังเกิดขึ้นแก่พิกสุผู้ไม่สำรวม จากขุนศีโสตินรียคานินทรียชิวหินรีกายินรียและมะนินรียอยู่อาสวะและความเร่าร้อนอันทําความครับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีเกียรติภิกษุผู้สมรวมในจากขุนศีโสตินรียคานินทรียชิวหินรีกายินรียและกัมมะนินศีอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราจะถาคตกล่าวว่าจะพึงละได้ด้วยการสังวรจากพุทธพจน์ตรงเนี้ยทาให้ เราได้พิจารณาเห็นว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการสังวรเนี่ยอาสวะที่พึงละได้ด้วยการสังวร น, นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นขั้นตรัสการแสดงอาสวะอันพึงละได้ด้วยทัศนะคือการเห็นแล้วเนี่ยบัดนี้เพื่ออะไรเพื่อจะทรงแสดงอาสวะอันพยโยคาวาจรพึงละได้ด้วยการสังวรก็ทรงแสดงไขเป็นตามลำดับที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะเหล่าไหนที่พระโยคาวาจรนพึงละได้โดยการสังวร ด, ดังนี้เป็นต้นคือพระพุทธเจ้าจะเรียกผู้ปารบความเพียรหรือนักปฏิบัติทั้งหลายใช้คําว่าโยพระโยคาวาจรนหรือโยคาวาจรผู้ประกอบความเพียรเน่ยผู้ปารบความเพียรผู้มีความอุตสาหะเป็นต้นถามว่าขึ้นชื่อว่าอาสวะที่ พระโยคาวาจรจะพึงละได้ด้วยกิจสองอย่างเหล่านี้ก็คือว่าด้วยทัศนะและด้วยภาวนาไม่มีมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุลไยพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงอาสวะที่พโยคาวาจรจะละได้ด้วยกิจมีสังวรเป็นต้นไว้อีกแผนกหนึ่งครับอกเออพระพุทธเจ้าสแสดงสังวรละได้ด้วยทัศนะคือการเห็นเนี่ยหมายความว่าอาสวะเรา นั้นอาจจะพึงล้าได้ด้วยทัศนะคือโสดาปฏิมารเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็เพราะเป็นการเห็นพระนิพพานในครั้งแรกเป็นต้นเหล่านี้ตรัสในเรื่องตรงนั้นเหล่าในเรื่องทัศนะคือการเห็นแล้วทําไมจึงมาตรัสเกี่ยวในเรื่องของอาสวะที่พึงล้าได้โดยการสังวรท่านก็ตอบบอกว่าเพราะอาสวะทั้งหลายที่พโยคาวาจรข่มไว้ได้โดยส่วนเบื้องต้นด้วยมีกิจมีการสังวรเป็นต้นย่อมถึงการเพิกถอนด้วยมรสี ก็หมายความบอกว่าเออถ้าหากว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันสกาทาอนาคาและเป็นพระละหันเนี่ยสังวร น, นั้นก็จะถูกประหารโดยเด็ดขาดเป็นไปนตามลําดับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพระโสดาบันในทิฐิเนี่ยนะทิฐาสวะเนี่ยอาสวะกล่าวคือความเมินผิดเนี่ยก็จะถูกละได้โดยเด็ดแต่ถ้าหากเป็นพระสกาทาคาเนี่ยก็ทําราคะโทสะโมหะให้เบาบวบบางลงถ้าเป็นพระอนาคา พระกามมาสะวะเนี่ยละได้เด็ดขาดแต่ถ้าหากเป็นพระาหันหมดเลยทั้งภวาสะวะอวิชชาสะวะก็ถูกตัดละได้อย่างเด็ดขาดแต่ที่พระพุทธองค์มาแสดงอาสะวะที่พึงละด้วยสังวรเนี่ยก็เป็นการเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคนั้นด้วยการข่มไว้ด้วยการห้าอย่างข่มได้ไว้ด้วยการห้าอย่างห้าอย่างก็คือว่าพวก ขันติสังวรศีลสังวรบ้างศีลสังวรสติสังวรขันติสังวรวิริยาสังวรแล้วก็ญาณะสังวรเนี่ยนะสังวรเหล่านี้ที่เคยเรียนรู้ไปเนี่ยฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้อย่างนั้นฉะนั้นโสดาปฏิมักข้อแรกที่พระองค์ตรัสไว้แล้วเนี่ยแล้วก็มักสามที่พระองค์จักตรัสโดยชื่อว่าภาวนาในบัเนี้ยกรถาของอาสวะที่พึงละได้เดิมสังวรเป็นต้นเน่ยก็ต้องทราบบอกว่า เป็นปุปปภาคปฏิบัติของโสดาปฏิมาคและของมรทั้งสามเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเออที่จริงสังวรนี่เนีเป็นเบื้องต้นของมรทั้งสี่เช่นว่าเออคนจักบรรลุได้เนี่ยก็จะต้องมีการสังวรคือการระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือปิดเนี่ยคําว่าสังวระตัว น, นั้นแปลว่าการปิดก็ได้การปิดบาป ไม่เกิดขึ้นทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแล้วก็ทวารใจโดยหลักการที่เคยศึกษาแล้วก็เคยพิจารณากันมาตามลําดับที่บอกว่าตาเห็นรูปใจไม่เป็นบาปหูได้ยินเสียงใจไม่เป็นบาปจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องเย็นร้อนแล้วก็ใจคิดนึกเรื่องราวต่างๆแล้วก็สามารถปิดบาปไม่ให้บาปไ ม, าไม่ให้อกุศลเกิดขึ้น ตรงนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าการปิดการปิดเพราะว่าในสภาสะวะสูตรหรือสภาสะวะสังวรสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรักวิธีละอาสะวะไว้ด้วยเจวิธีใช่ไหมอาสะวะที่พึงละได้โดยการเห็นตะสภาวธรรมตามความเป็นจริงอาสวะที่พึงละได้โดยการสํารวมหรือสังวรที่กําลังจะศึกษาประการที่สคืออาสะวะที่พึงละได้โดยการซ่องเสพ 4. ก็คืออาสวะที่ละได้ด้วยการอดทนอดกลั้น ห้าก็คืออาสวะที่พึงละได้โดยการเว้นหกก็คืออาสวะที่พึงละได้โดยการบันเทาเจ็ดก็คืออาสวะที่พึงละได้โดยการอบรมหรือเจริญฉะนั้นอาสวะแต่ละวิธีนั้นสำเร็จได้ก็ต้องมีอะไรต้องมีโยนิโสมนสิการที่ได้กล่าวว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วเนี่ยที่ในในที่นี้ที่สังวรเนี่ยภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วโดยแยกคายแล้วก็ว่า สำรวมอะไรสำรวมจักขุนรีโสตินรีคาตินรีชิวหินรีเป็นต้นลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการสังวรก็คือการปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นในกระแสใจแต่ว่าการที่จะละตรงนั้นได้ก็จะต้องมีโยนิโสมนสิการดังที่ได้กล่าวนั้นตัวโยนิโสมนสิการนั่นแหละที่เป็นปัจจัยแก่การที่จะทาให้เราละได้ด้วยการสังวรเป็นต้น บาปอากุศลต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการปิดเขาเรียกปิดบาปปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอาสวะที่พึงลักได้โดยการสังวรที่บอกภิกษู่พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมระวังอินทรีย์ระวังตาระวังหูระวังจมูกระวังลิ้นระวังกายระวังใจซึ่งเมื่อไม่สํารวมระวังแล้วอาสวะ ที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อสํารวมระวังแล้วอาสวะที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนก็จะไม่มีอันนี้ที่เรียกว่าอาสวะที่ละได้โดยการสํารวมเออมันที่บอกว่าสํารวมระวังอินทรีย์ตาเนี่ยเขาเรียกอินตาณิบิตอินทรีย์ใช่ไหมเป็นใหญ่ในการเห็นหูก็เป็นอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกก็เป็นอินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการรู้กลิ่น ลิ้นก็เป็นอินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการรับรสกายก็เป็นอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรู้เย็นร้อนใจก็เป็นอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ทั้งหมดฉะนั้นคําว่าอินทรีย์เนี่ยเขแปลว่าความเป็นใหญ่เป็นใหญ่เวลาเรียกเป็นภาษาบาลีอีกที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยอยู่ไหมจักรขนซีเนีอินทรีย์คือตางโสตินทรีย์อินทรีย์คือหูคานอินทรีย์อินทรีย์คือจมูกชิวหินทรีย์อินทรีย์คือลิ้น กายอิ็นรีย์อินรีย์ก็คือกายแผ่นกายทั้งหมดเนี่ยที่สามารถรับเย็นร้อนทั้งหมดเนี่ยเป็นอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการรู้เย็นร้อนนออนแข็งแล้วก็ใจเป็นมนินรีย์คือรู้เรื่องราวต่างๆฉะนั้นเมื่อเรารู้ทางหกทางอย่างนี้แล้วไม่น่าจะยากใช่ไหมในการที่จะป้องกันความเดือดร้อนหรือความยุ่งยากที่จะตามมาเพราะเรารู้แล้วว่าเออสิ่งที่มันจะทําให้เกิดความยุ่งยากความเดือดร้อนหรือ ปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดตรงไหนมันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านก็เลยสอนให้ปิดปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจก็ว่าไงแต่คําว่าปิดในที่เนี้ยไม่ใช่เป็นหลับตาเนี่ยใช่ไหมหลับตาแล้วอะไรอุดหูอุดจมูกไม่กินอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าปิดในที่นั้นได้เป็นสัมนวนในหลักการท่านเน้นให้การปิดบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้น การคุยการสนทนาหรือการศึกษาเนี่ยดูคล้ายๆจะไม่ค่อยยากแต่เวลาไปปฏิบัติดูเหมือนยากใช่ไ้ยเช่นว่าเราจักมองบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วไม่ให้ใจเป็นบาปเนี่ยถ้ามองบางคนมันก็เป็นบุญใช่ไหมแต่มองบางคนใจมันก็เป็นบาปอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็คุ้นเคยในการที่จะให้บาปเกิดหรือเกิดอย่างเช่นจะให้ฟังเสียงคนบางคนเนี่ย บางคนเสียงฟังแล้วก็มันมันก็ชื่นใจฟังแล้วก็น่าจะเป็นบุญเป็นกุศลดีใช่ไหมแต่บางคนมันทนฟังไม่ได้จริ ง, รงๆมั้งแค่ได้ยินเสียงออกมาแค่นั้นเราก็รู้สึกมันมันก็ทําใจยากก็ว่างั้นอันนั้นเนี่ยเป็นโทษของการไม่ได้ปิดบาปไม่ได้ฝึกหัดเข้าไว้ถามว่าในบรรดาพระเขาก็เป็นกันไหมเป็นไม่ใช่ไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าแทนท่านผู้ใดจะสามารถปิดกันบาปเหล่านี้ได้ เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าเรามองมองหรือทางทวารตาทางจากักขุนสีนทรีย์คือตาถ้าเห็นสิ่งต่างๆปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสองประการหนึ่งวัตถุบางชนิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของความโลภคืออยากได้ยินดีพอใจแล้ววัตถุบางชนิดก็เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธใช่ไหมคือโมหะเนี่ยมันเข้าทั้งสองกลุ่มอยู่แล้วในขณะที่ความโลภเกิดขึ้นความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็เกิดในขณะที่โกรธเกิดขึ้น ในขณะที่เห็นสีเห็นภาพเห็นบุคคลต่างๆเหล่านี้ยโมหะคือความไม่รู้ตามความมียิงมันก็ปิดฉะนั้นสรุปก็คือโมหะเนี่ยเข้าได้กับโลภะก็ได้เข้ากับโทสะก็ได้มันเป็นกองหนุนอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะโทษของความไม่รู้นี่แหละทาให้เราหลงใช่ไหมเพราะโทษของความไม่รู้นี่แหละทําให้เรายึดติดแล้วก็ผูกพันแล้วก็เหนียวแน่นแกะไม่ออกเนี่ยนะะนั้ น, ะ น, นทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดแหละ ถ้าหากว่าถ้าหากเป็นปีรูปสาธรูปคือรูปที่น่ารักน่ายินดีเสียงที่น่ารักน่ายินดีกลิ่นที่น่ารักน่ายินดีรสที่น่ารักน่ายินดีโผดผาบที่กระทบกายที่น่ารักที่น่ายินดีหรือธรรมารมณ์อารมณ์ที่มาปรากฏกับใจที่น่ารักที่น่ายินดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่ตั้งของราคะเมื่อราคะความกำหนัดความยินดีต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ย โมหะก็เข้าไปปิดเข้าไปปิดแบบไหนทําให้เราไม่แทงตลอดสัจจะคือไม่เห็นความจริงของสิ่งนั้นว่านี้ทุกเนือใช่ไหมนี้ทุกเนื้อเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสภาพของความทุกข์ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่พ้นจากชาติทุกชร า, าทุกมรณะทุกขเป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดฉะนั้นปัญญาตรงนี้มันไม่เกิดเพราะอะไรไปปิดโมหะก็ปิดเข้าไว้นิยต์ตรงกันข้ามถ้าเป็นอปิยารูปอาสาตรูป รูปที่ไม่น่ารั ก, ไ ม, รกไม่น่ายินดีเสียงกิ่นรดโภชภะแล้วก็ธรรมารมเป็นต้นเนี่ยที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีเนี่ยก็เป็นตีกตั้งของปฏิฆะมันก็กระทบกระทั่งจิตมันกระทบกระทั่งจิตนะโดยเฉพาะก็คือว่าเมื่อมันเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นมาแล้วตอนนั้นน่ยสภาพจิตใจก็โอ้โหสะเทือนว่าก็เรียกว่าหัยวัตถูก็เล่าร้อน อย่าว่าแต่จิตเร่าร้อนเลยตอนนั้นนะนะถ้าโทสะเกิดด้วยความหงุดหงิดพุ่งสร้างเกิดเนี่ยตัวสภาพของหัถยวิทุนั้นก็เร่าร้อนหนึ่งสภาพของโทสะเนี่ยเขาเร่าร้อนสภาพของกิเลสเนี่ยเขาเร่าร้อนแล้วและเขาก็ยังทําให้ทำสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกันกนกบเขาเนี่ยคือจิตเป็นต้นเหล่านั้นในขณะนั้นเร่าร้อนและไม่ใช่แค่นั้นนะเขาเกี่ยวข้องกับรูปธรรมใช่ไหมรูปธรรมก็เร่าร้อนอีกจิตตชรูป มีหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณอาตัดกิกริยาเป็นต้นก็แข็งกระด้างแม้แต่การหายใจก็หนักหน่วงขึ้นมาเป็นลําดับก็คือว่าคนโกรธเนี่ยหายใจแรงนะคนโกรธไม่มีใครโกรธจัดๆแล้วหายใจเบาๆหน้าตาเยี่มแย้มยมองสายไม่มีอันนั้นบ่งบอกว่าตอนนั้นปฏิฆาเกิดเพราะโทษของการไม่สังวรก็คือไม่ปิดใช่ไมไม่ปิดบาป ที่มันเกิดขึ้นทีนี้ในขณะที่โทษาเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวแล้วว่าโมหะเขาปิดไม่ปิดทำให้เราไม่แทงตลอดความเป็นจริงก็คือคิดถึงเมตตาไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้เป็นต้นอันนั้นก็คือเป็นโทษในบทเหล่านั้นบทว่าอิทะ <c ười> คือในศาสนานี้ในศาสนานของพระผู้มีพระภาคจ้าเนี้ยปฏิสังขาก็ปแปลว่าพิจารณาแล้วทีนี้ ในประโยคเป็นต้นพิจารณาแล้วจึงเสพปัจจัยอย่างหนึ่งในประโยคเป็นต้นว่าส่วนแห่งทำเครื่องเนิ่นช้ามีสัญญาเป็นเหตุย่อมฟุ้งไปเออถ้าหากไม่ไม่พิจารณาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้สอยสิ่งต่างๆเรือกใช้สอยจีวรถ้าพราเนี่ยนะถ้าคารวาสก็คือใช้สอยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่ก็เรียกเสพนั่นเองใช้สอยห น, น, นยที่อยู่อาศัย บ้านหรือสถานที่ต่างๆรวมถึงยานพาหนะทุกชนิดเนี่ยถ้าไม่พิจารณาแล้วใช้นี่นะประการต่อมาก็คือว่ายารักษาโรคอาหารสิ่งต่างๆเหล่านี้หนึ่งที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารแล้วก็ยารักษาโรค ก, การเสพการใช้ปัจจัยสีต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าไม่สังวร จะตามมาด้วยบาปเยอะเขาบอกว่าคนโบราณก็บอกว่าปฏิสังขาหรือยังปฏิสังขาหรือยังก็แปลว่าเออพิจารณาหรือยังเนี่ยจะใช้ของสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยพิจารณาหรือยังปฏิสังขาหรือยังทีนี้ปฏิสังขาโยนิโสพิจารณาคือทราบได้แก่เห็นเฉพาะโดยอุบายคือถูกทางในทีน่นี้การพิจารณาโทษของอสังวรพึงทราบว่า การพิจารณาโดยแยกคายก็การพิจารณาโทษของอาสังวรคือการไม่สมรวมเนี่ยท่านยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างเช่นในอาทิตตปริยยสูตรที่ท่านสอนเขาไว้เออในอาทิตตปริยยสูตรมีอยู่สองสูตรเี่ยบางทีท่านบอกว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายตาเป็นของร้อนใช่ตาเนี่ยเป็นของร้อนรูปคือมากระทบที่ตาเนี่ยสีภาพต่างๆที่มากระทบกับตาก็เป็นของร้อน จักระู้วิญญาณที่เกิดขึ้นไปรับไปเห็นรูปนั้นก็เป็นของร้อนจกักระูสัมผัสคือการกระทบกันของตาลูบและจักระูวิญญาณก็เป็นของร้อนทีนี้พอกระทบกันแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาบ้างเห็นไหมเกิดเป็นปัจจัยเกิดทุกขเวทนาบ้างบางครั้งก็เป็นปัจจัยเกิดอุเบกขาเวทนาให้สังเกต ด, ดูสิเวลาเราเห็นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีเวทนาสามชนิดเกิดบางครั้งก็สุข ขเวทนาเห็นบางสีบางภาพบางบุคคลที่เราเห็นหรือบางกลุ่มบางชนิดที่เราดูเนี่ยบางครั้งดูปุ๊บเนี่ยสุขเวทนาเกิดบางครั้งมาดูปุ๊บก็ทุกขเวทนาเกิดบางครั้งก็ไม่ค่อยใส่ใจเป็นอารมณ์ที่เราไม่ให้ความสําคัญมากก็เป็นอุเบกขาเวทนาเกิดทีนี้พอสุขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะตามมาด้วยอะไรรู้ไหมราคะความกําหนัดความยินดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมามันจะตามมาด้วยปฏิฆะคือความยินร้าย ถ้าอเวขาเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ได้พิจารณาก็จะตา ม, มาไปด้วยมัวเห็นไหมท่านบอกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาและเวขาเวทนาเป็นของร้อนให้สังเกตเลนะทั้งสายเลยนะตาก็ร้อนรูปก็ร้อนจั ก, กุวิญญาณก็ร้อนการกระทบคือการมากระทบการเชื่อมต่อกันก็ร้อนสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ร้อนทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ร้อนอุเวขาเวทนาเกิดขึ้นก็ร้อนแต่เชื่อไหมบุรุษชนที่ไม่ได้สดับเนี่ย จะมีความเข้าใจว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นไม่ร้อนหรอกใช่ไหมถ้าเราเห็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยหรือได้ยินเสียงที่ดีๆเป็นต้นเหล่านี้จกร้อนได้ยังไงใช่ไหมใช่เพราะเห็นปุ๊บได้ยินปุ๊บหรือได้กลิ่นปุ๊บแล้วก็ได้สัมผัสได้คิดนึกต่างๆในสิ่งที่มันดีๆเนี่ยไม่เห็นร้อนเลยก็ทําให้เราเกิดความสุขทําให้เราเกิดความเพลิดเพลินแต่ทัศนา ข, ของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์แทงตลอดตามความเป็นจริงเราบอกมันร้อน แล้วพระ อ, องค์ก็บอกร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะฉะนั้นถ้าหากว่าสุขเวทนาตามไม่ไราคะเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าไฟนี่เป็นไฟนะราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะไหมถ้ามาสายทุกขเวทนาโทสะมันก็เกิดอามาสายของอทุกขม์มสุขเวทนาคือเวกาเวทนาโมหะก็เกิดไหร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะถามว่าเมื่อราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงก็ทำกำํากรรม คนเราเวลาราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นกายกรรมวจีกรรมโรรมก็ไปแล้วเป็นไปตามสภาพถ้าราคะเป็นตัวขับเคลื่อนก็โอ้ทํากรรมที่เกี่ยวกับราคาถ้าโทสะเป็นตัวขับเคลื่อนก็ทํากรรมที่เกี่ยวกับโทสะถ้าโมหะเกิดขึ้นก็ทํากรรมที่เกี่ยวกับโมหะสรุปก็คือกายกรรมวจีกรรมโรรมเป็นกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตมีราคะโทสะโมหะเป็นตัวขับเคลื่อนมันเหมือนคนขับรถนะเนก็รถที่จะเคลื่อนไปได้เนี่ยมันจะให้ใครขับ ถ้ามีคนขับสักสามคนใช่ไหมมีชื่อไอ้โลภะคนหนึ่งไอ้โทสะคนหนึ่งไอ้โมหะคนหนึ่งใอ้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นนะบางครั้งเราก็ขับรถได้โลภะใช่ไหมรถนั้นก็วิ่งไปได้ไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวไปแบบโลภะไปนะคือโลภะเป็นตัวขับเพื่อนบางครั้งก็ไปแบบโทสะโกรธมากวันนี้จะต้องไปจัดการให้ได้เพราขับไปเราคิดไปอย่างนี้เนะี่ยแล้วก็ไปแบบโมหะไม่รู้ตามกว่าจริงก็เหมือนการละกายเนี่ยเหมือนเหมือนสรีระยนี่ยคือกายนี้ สริรถยนต์เหมือนกายเนี่ยใจเหมือนจิตนั้นเน่ยเหมือนกับสารถีที่จะเป็นตัวทําให้ร่างกายนั่นขับเคลื่อนไปใช่ไหมมีการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นต้นเหล่าเ น, นี้ยบอกว่าเออใครเข้ามานั่งแท่นในใจราคะโทสะโมหะมานั่งยังไหมถ้าราคะมานั่งขณะไหนก็ก็สามารถขับเคลื่อนสรีรถยนต์นี้ให้ไปได้เหมือนกันโทสะโมหะก็ในยะเดียวกันหรือถ้าหากว่าพิจารณาโดยแยบคลายปุ๊บ ปิดบาปปิดอกุศลราฆ่าโทสะโมหะไม่เกิดที่ที่ป่ากุศลก็มาเป็นตัวขับเคลื่อนนั้นในร่างกายในสรีร่ยนต์กล่าวคือกายาวานาคืบเนี่ยที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมจากสี่ทวารเก้าทิศบอกมีการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยนึงี่ดินน้ำไฟลมเป็นต้นที่มันเคลื่อนไปตามที่ต่างๆได้เนี่ยแปลว่าเราเราใช้คนขับมาเยอะแยะกว่นี้ในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยนะ แต่โดยมากราคาโทรศามโมหะเนี่ยเราชอบที่จะใช้เขามากที่เขาใช้เราจนสุดโสมหมดแล้วจนร่างกายเรานี่หู้ยดูใช่ไหมโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่านี่แหละการที่ว่าถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าปฏิสังขายโยนิโสพิจารณาคือทราบแต่แก่เห็นเฉพาะโดยอุบายคือโดยถูกทางทการพิจารณาถูกทางคือการพิจารณาเห็นโทษของอาังวร การจะพิจารณาเห็นโทษของอาสังอสังวรเนี่ยก็คือว่าพิจารณาเห็นโทษของการไม่ไม่มีศีลสังวรถ้าไม่มีศีลสังวรนี่เป็นโทษแน่ๆหรือไม่มีอินทรีสังวรก็คือไม่มีสติในการที่จะไปปิดบาปไม่มีขันติสังวรเออไม่มีการอดการเออแปลกอยู่อย่างเนะ ขันติของบุคคลโดยทั่วๆไปเนี่ยโดยมากเขาจะไปเข้าใจบอกว่าทนเขาไว้ถึงเราจะกโรกรธก็ทนเขาไว้ใช่ไหมยอย่าพูดบอกคุณเนี่ยอย่าพูดมากเขาโกรธเน่ยทนเขาไว้คือแล้วเขายังยกย่องด้วยนะ <c oughs> โอ้โหมาวานี้กโกรธแทบแย่เลยดีนะที่ทนได้ไอ้ตรงเนี้ยที่จริงที่จริงไม่เรียกว่าขันติเพราะว่าถ้าขันติเนี่ยใจต้องเป็นไปกับเมตตาเออใช่ไหมอาโทสะเนี่ยต้องเป็นเมตตาเนี่ย คำว่าอดทนในที่นั้นใจจะต้องผง่องใสมีความละความปรารถนาดีความเอื้อทนแต่ไม่ใช่กัดฟันยิกย่กๆิๆ ก, ก, กแล้วบอกว่าโหอดเหม่อดีนะถ้าไม่โพ่งออกไปนี่ว่าไงแต่แม่โกรธแทบแย่เลยไอ้ยางนี้ไม่เรียกคันติแต่ชาวชาวโลกโดยทั่วไปเขาเข้าใจว่าเออคนนี้อดทนดีขนาดโกรธก็ไม่พูดวางนั้นไงทีนี้ถ้าในทางธรรมะท่านบอกว่าโกรธนะไม่ใช่คันติแล้ว ไม่ต้องพูดไม่ต้องกล่าวว่าพูดออกมาหรือว่าพุทวาสดออกมาอันนั้นเลยทงไปหมดแล้วท่านสอนแม้กระทั่งว่าขันตินั้นต้องไม่โกรธนั้นจึงจะเรียกว่าสังวรเพราะว่าสังวรในที่นั้นต้องปิดบาปใช่ไหมใจต้องไม่เป็นบาปเออใจต้องไม่เป็นบาปทีนี้โกรธแต่ไม่พูดเหมือ น, นเหมือนว่าเอา้านับตั้งแต่วันนี้ไปเราสองคนห้ามพูดกัน แต่โโหเห็นทีไรแล้วคุณข้องมองใหญ่ทุกทีเอย่างนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่ขันติขันติคือต้องไม่โกรธวิริยะสังวร น, นั้นเน่ยเป็นการเป็นการห้ามกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกเห็นไหมคือเพียรในการที่จะละบาปนั่นเองส่วนญาณสังวร อ, อันนั้นเป็นเป็นการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญา ฉะนั้นท่ น, นึงบอกว่าพิจารณาโดยแยบคายก็คือเห็นโทษเห็นโทษของอสังวรวิธีการเห็นเห็นโทษที่ชัดเจนก็คือยังไง mm hmm. ก็คือว่าคนที่ไม่สังวรคนที่ไม่ปิดบาปอากุศลทางทวารตาหัวจมูกลิ้นกายใจเนี่ยปัจจุบันก็พากันไปยัดเยียดในในรกเต็มหมดแล้วนี่คือพิจารณาเห็นโทษพิจารณานี้เนี่ยและก็มาพิจารณาดูตนเองเออถ้าเราไม่เห็นโทษ ไม่เห็นโทษของอาสังวรไม่เห็นโทษของการปิดบาปเราก็จะต้องไปยัดเยียดในนั้นนะครับฉะนัพระพุทธเจ้านะ่ยทรงมีพระหมายกุณาทีคุณต่อสัตว์โลกนะที่พระองค์บอกว่าที่ยังในอาทิตต์ตปริยาญสูตรทั้งสองอย่างเนะี่ยที่บอกว่าจากักขุนซีอ่ะภิกษุทั้งหลายจากักขุนศีที่ภิกษุทะวงแล้วด้วยเหลาเหล็กอันร้อนโชนลุกโชดช่วงยัง p e r s ฐกว่าส่วนการถือเอานิมิต ถือเอาโดยอนุพยาญชนะนนในรูปที่จะพึงรู้ด้วยจักสูไม่ประเสริฐเลยแม้จะคำว่าจากักขุนทรียังจกักขุนทริยาสังโวรสังวุโตเป็นต้นจักสูชื่อว่าจากักขุนซีที่ชื่อว่าสังวรเพราะกั้นไว้เนี่ยปิดไว้กั้นไว้กั้นไว้ได้สังวรเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของสติการสํารวมในอินทรีย์คือจักสูชื่อว่าการสํารวมจกักขุนซี ทีนี้การที่จะสํารวมจักขุนศีเป็นต้นเหล่านี้ท่านบอกว่าที่พระเจ้าตรัสไว้ในอาทิตยปฏิยายสูตรที่บอกว่าถ้าถ้าเรามองสิ่งใดแล้วเกิดราคะหรือเกิดโทสะเนี่ยสูตรนี้ท่านสอนแรงนะท่านบอกว่าทะลวงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนโชนลุกเออชช่วงยังประเสริฐกว่าใช้เหลาเหล็กใช้ใช้เหล็กแหลมแหลมนะ่แทงเข้าไปในตานี่ แล้วไอ้เหล็กแหลมๆเนี่ยไฟลุกติดโชดช่วงด้วยนะแล้วแทงเข้าไปในตาทั้งสองข้างให้บอดอเลยดีกว่าถ้าเราจกมองสิ่งอะไรแล้วทำให้เกิดราคะาโทสะหรือเกิดมัวก็ยังประเสริฐกว่าเขาบอกงั้นแล้วพูดตรงนี้เหมือนอุปมาแรงยังใช่ไหมมันแรงจริงๆนะทำไมพระ อ, องค์ถึงอุปมาแรงขนาดนั้น บอกโหใช้เหลาเหล็กเนี่ยแทงเข้าไปในตาถ้าเราจะมองอะไรแล้วเราเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินสูตรนี้เวลาอ่านหรือสึกฟังพระพุทธเจ้าท่านท่านกล่าวมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเธดุงทําไมแรงจังอุปมาแรงแต่ว่าถ้าประพิจารณาอย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปมองสิ่งใดแล้วเกิดราคะแล้วก็ทํากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับราคะเป็นต้น อย่าลืมนะว่เาเมื่อมองวัตถุบางชิ้นเนี่ยเราจะได้บาปอย่างมากที่เกี่ยวกับราคะวัตถุบางชิ้นที่เราดูหรือสิ่งของบางอย่างที่เราดูเราเห็นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่โทสะและโทสะก็เป็นปัจจัยให้เราทําบาปอย่างมากแล้วก็โมหะก็นในญาเดียวกันก็จะทําบาปทําอกุศลอย่างมากฉะนั้นวเวลาทําบาปทำอากุศลกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่ตามมาเนี่ยแล้วเราจะต้องไป เกิดในสังสารวัฏยกตัวอย่างเช่นไปตกอบใบับภูมินี่อ่ะยกตัวอย่างอย่างนี้นะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าอภเทวธาตุพระเทวธาตุมองมองพระพุทธเจ้าด้วยจกักขุนสีพอมองไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหการเป็นพระพุทธเจ้านี่ดีใช่ไหมมีคนเคารพนับถือเยอะแล้วได้เป็นใหญ่ถ้ า, าว่าเราจัดจัดการกับคนคนนี้เสียได้คือจัดการกับพระพุทธเจ้าเสียได้เนี่ยก็ไปกิ้งหิน ที่เขาคิดชโกใช่ไหมแล้วก็มากระทบพระบาทของพระพุทธเจ้าจนห่อวะโลหิตอันนี้เป็นโลหิตุบบาตรทำลายพระพุทธเจ้าให้ห่อวะโลหิตกรรมอัเนี่ยแปลว่าลงเอเวจีแล้วฉะนั้นการถ้าเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าตรงนั้นเสียถ้าพระเทวทัศน์ไม่เห็นเสียนะเอาเลหล็กแหลมแหลมแทงตาเถ้าไม่เห็นเสียจะไม่ได้ทําบาปทางทวานตาเขาอย่างยัง เพราะโทษแค่แทงปุ๊บเนี่ยนะมันมันมันก็เจ็บปวดปัจจุบันภพนี้ทุกปันตายหรือว่าตายแค่นั้นเองแค่ชาติเดียวแต่การที่จะต้องไปอยู่เป็นหลายๆกลับเป็นแสนแ ส, น, สนกลับเนี่ยกลับหนึ่งก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ายาวสิบห้ากิโลกว้างสิบห้ากิโลลึกสิบเอเอยาวสิบหกิโลกว้างสิบหกิโลลึกอีกสิบหกิโลเต็มไปด้วยเมล็ดเมล็ดงาร้อยปีหยิบออกเมล็ด นันกลับนั้นยังนับไม่ได้อยว่ายังน้อยกว่ากลับด้วยซ้าไปนี่ถ้าหากว่าไปไปสเสวยทุกเวทนาแสนกับกับการถูกแทงนะด้วยเหล็กแหละมอน่ยเหล็กแหละมะที่ไปลุกโชดช่วงแล้วแทงเข้าไปในตาเนี่ยเออมันมันทุกทรมานไม่กี่วั น, นเองเทอวันก่อนก็บรรยายเรื่องพระพุทธเจ้าไปเทศนาที่ดาวดึงอ่ะประเทศปโปรดพุทธมารดา พระธารดาอยู่ชั้นดุสิตที่ว่าสันตุสิตเทพบุตรคือมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนางมหาประชาบดีเอ่ยนางสลีมหามายาเนี่ยขอไปพระนางสรีมหามายาเนี่ยหลังจากที่ทรงให้ประสูติพระพุทธเจ้าคื อ, เ, อ, เ, อเจ้าชายสิทธาาัตถะเบ็ดเสร็จแล้วเจ็ดวันก็ที่วงคตตายส ว, วรรดคตหรือตายเนี่ยไปจุติและไปปฏิตริติอยู่ในชั้นดุสิต พอไปเกิดในชั้นดุสิตเนี่ยปุ๊บก็โตขึ้นเป็นเทพผบุตรไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วเพราะว่าเป็นธรรมเนียมธรรมดาเป็นปกติอะนะเหมือนเหมือนอันนี้อย่างทุกครั้งหน้าตาเนี่ยเป็นปกติเงี้ยคนที่เป็นมารดาของพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยในชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยท้องของพระนางจะไม่เป็นที่ปฏิสติให้กับใครที่เกิดให้กับใครก็ไปเกิดต่อมาพระเจ้าได้ตดรัสรู้ใช่ไหม ในภาษาที่เจดนั้นพทธเจ้าก็ไปโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงนี่ชั้นดุสิตอยู่ชั้นที่สี่ดาวดึงอยู่ชั้นที่สามนั้นพุทธมารดาพร้อมด้วยเทพที่ดาทั้งหลายอที่สันตุสิตเทพบุตรเนี่ยพร้อมด้วยเทพทีดาทั้งหลายเยอะแยะหมดเลยนะในชั้นดุสิตก็ลงมาเต็ไมไปหมดเขาบอกเป็นเออเปนเ็นแสนแสนโกรเยอะมากพระเจ้าไปเทศนาอยู่เท่าไหร่รู้ไหยเทศนาอยู่ สามเดือนเทศนะอภิธรรมอภิกสามเดือนนี่เขาก็คำนวณกันใช่ไหมสามเดือนเนี่ยถ้าหากว่าในในในในมนุษย์โลกเนี่ยสามเดือนแล้วในสวรรค์เขาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่รู้ไหม เ, ออเราแค่ดูชั้นชั้นที่ติดกับเราที่ว่าจาตุมมหาราชิกาเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งวันของเขาเนี่ยเท่ากับห้าสิบปีของเราของเราห้าสิบปีใช่ไหม เนี่ย อ, อาจารย์เกิดมายังไม่ถึงห้าสิบดียังไม่ถึงห้าสิบเนี่ยนะต้องใช้คำว่ายังไม่ถึงห้าสิบยังไม่ได้วันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมเลยทีนี้จาตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดูสิตินี่อยู่ชั้นดูสิตธินะชั้นที่สี่พอไปคำนวณเบดเสร็จแล้วเนี่ยนะสามเดือนในโลกมนุษย์เนี่ยประมาณสักไม่เกินเก้านาทีไม่เกินเก้านาที เวลพระพุทธเจ้าไปเทศนาบนนู้นน่ยก็เงื่อนไขคือการาชการของพระองค์ก็เป็นมนุษย์พอได้เวลาปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็ใช้เนรมิตรรูปของพระพุทธเจ้าใช่ยเมก็เรียกว่านิมิตเป็นอีกรูปพระเจ้าอีกองค์หนึ่งแสดงธรรมต่อไปเรื่อยๆแล้วพระองค์ก็ลงมาที่สานโนดาก็มาพักผ่อนอิเดียบทบินทบาทฉันอาหารไปเสร็จภาษาลิบรก็ไปคอยอุปถานแล้วพระองค์ก็เทศนาโดยย่อแบบสังเขปใน ออวันนี้เทศนาเรื่องอะไรบอกภาษาลิบุตรไปเสร็จเมื่อขายไอเดียบทได้เล็กน้อยก็กลับไปรูปนิมิตที่อยู่ตรงนั้นก็เทศต่อเทศไปเรื่อยๆนะเพราะโดยเงื่อนไขคือสามเดือนนะแต่ในเทวดาก็เ ห, หม็บพระเจ้าเทศน้อยแล้วไม่เกินเก้านาทีน่าจะประมาณหกนาทีกว่ากว่าถ้าคำนวณไปเสร็จนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสี่ร้อยอ่ะส่วนนนนะถ้าคิดออกมานะ หนึ่งใน400สี่ร้อยประมาณนั้นเนี่ยบกประมาณน่าจะประมาณหกเจ็ดนาทีไม่เกินเก้าไม่เกินเก้านาทีพระเจ้าเทศนาไออภิธรรมอภิโกเนี่ยจบไอเริ่มตั้งแต่ธรรมะสังคณีประกอบเป็นต้นไปจนถึงปฐฐานเนี่ยเจ็ดคำพีเนี่ยเจ็ดคำพีเนี่ยเทวดาฟังกันหูน้อยมากเล็วเทศนาโดยพิสดารด้เนียใช้เวลาสามเดือนพอครบสามเดือนก็ลงมาที่สังกสารนครนชะที่วัน เตโอลหนะเราวันพุทธ้าวันพระเจ้าเปิดโลกที่เราพูดกันนั่นน่ะนี่ชี้เห็นว่าบนสวรรค์นี่พวกเราเนี่ตายเกิดตายเกิดตายเกิ ด, กดไม่รู้เท่าไหร่นะในโลกมนุษย์เนี่ยวันก่อนก็ฟังโยมท่านหนึ่งเขาเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันเขาไปพูดออกรายการเขาบอกว่าเขาพูดถึงโลกนี้เกิดอุบัติเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วต่อมาคนในยุคนั้นอายุเป็นแสนแล้วต่อมาค่อยๆลดลงมาจนเป็ดเจ็ดเป็นแปดหมื่นปี แล้วต่อมาก็คือภาษียะเมตย์จะมาตรัสในอนาคตแต่ช่วงนี้เป็นช่วงขาลงเยโลดลงเรื่อยๆนั้นคนก็จะเริ่มทําบาปไปเรื่อยๆทุกวันเนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็เริ่มทําบาปไปเรื่อยๆต่อมาก็จะพอหลังจากถึงสิบปีแบเสร็จแล้วก็จะเริ่มขึ้นร้อยปีขึ้นปีร้อยปีขึ้นปีไปจนโอ้โหนับไม่ได้แล้วก็จะลงมาอีกปีหนึ่งจนแปดหมืนปีในยุคนั้นภาษียะเมตยก์ยตยก็จะมาตรัสบางคนโอ้สวังชื่นใจแล้วรอประมาท จริงตรงนี้วิธีคิดไม่ใช่อย่างนั้นวิธีคิดก็คือปัจจุบันเนี่ยคําสอนของพทธเจ้ามีใช่ไหมมันไปรอเงั้นไม่ได้ประมาทมากเลยที่เราคิดแบบนี้แะ่ะถึงพลาดมาตั้งหลายองค์เลยใช่ไหมจ๊ะต้องคิดใหม่ต้องคิดให ม, หม่ว่าคิดแบบนี้โอ้เดี๋ยวอีกองค์องค์ที่ห้านี้หมดแล้วนะพัะตะกับเนี่ยมีห้าองค์เอ ง, เองพี่พระเจ้ามาตรัสต่อไปจะเป็นอสุญญ์กับกับที่ไม่มีพทะเจ้าก็ลองคิดดูเดี๋ยวคนจะชั่วกันขนาดเลย ไม่มีคําสอนขนาดมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะยทั้ง ท, งท้งที่ประกาศตนเป็นชาวพุทธเนี่ยคือมามือมา ก, กันเต็มบ้านเต็มเมืองชาวพุทธทั้งนั้นแหละไปถามแต่ละคนไม่มีใครเป็นคนทานมีบัณฑิตเต็มไปหมดจะไม่ใช่จะไม่ยอมรับเนี่เอย่างนี้ลักษณะอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเป็นยุคที่น่ากลัวมากเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าใน เราเราคิดว่าในในโลกมนุษย์นี่อายุจะมากแท้จริงเราอยู่กันไม่กี่ลมหายใจโ ด, โดยโดยจำนวนก็คือเทวดาหายใจไม่ถึงสองครั้งเราตายไม่ถึงสองครั้งหายใจเข้าหายใจออกไม่ไม่ถึงนี้เลยเราตายแล้วเข้าใจอย่างว่าสั้นมากสั้นมากๆไม่ใช่สั้นธรรมดาขนาดสั้นมากๆนี่เนอะชีวิตของเราเราคิดบอกว่าเราอีกนานอีกนานเลยก็คิดกันไปแต่ที่จริงไม่นานเลย ทีนี้เรามามันเงื่อนไขของเราเนี่ยเราลืมมองพวกอย่างยกตัวอย่างเช่นมดตัวเล็กๆนะไม่ต่างกันเลยไอ้มดตัวเล็กๆกับเราเนี่ยมดเขาก็อยู่แบบประมาทเขาก็คิดว่าเขาอยู่นานนอนสักตัวหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยู่นานยุ่งสักตัวเขาคิดว่าเขาอยู่นานนะทีนี้เขาไม่ได้เปรียบเทียบกับเราไงถ้าเขาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยเขาบอกคุณน้อยนิดหน่อย ควรเจริญกุศลควรว่าพติพมจันทร์วัสัต์ที่เกิดมาแล้วจกไม่ตายไม่มีพระเจ้าจะแสดงนี้ตลอดในสูตรนี้พระเจ้าแสดงง่ากับคนอายุแปดหมื่นปีปังใ น, ะนยุคก่อน น, ออนู้นเนอะบอกเออเนี่ยพราะพระเจ้าเปรียบเทียบนะคนอายุแปดหมื่นปีเนี่ยเขาคิดว่าโอ้ยอายุนี้น้อยนิดเหมือนน้ําที่อยู่น้าค้างอยู่บนยอดหญ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาพร้อมที่จะหลุดหรือหายเหือดแห้งหายไปแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์นี้ก็นิดหน่อยไหม มีความคับแค้นมากมีความทุกข์มากจะพึงถูกต้องด้โดยปัญญาเป็นต้นเห่นไหมคนอายุแปดหมื่นก็พิจารณามรณลสติกันขนาดนั้นแล้วหรือเหมือนกับไม้ที่ขีดลงไปในน้ำเนี่ยน้ำก็จะกลับข้อหากันรวดเร็วไม่ช้านานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันนิดหน่อยมีความทุกข์มากมีความขับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้โดยปัญญา มันควรจเจริญกุศลควรบูรพุธพรหมจัรย์สัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาไม่มีเข้าสูตรนี่ไปพิจรารณากันนะคนยุค ก, ก่อนเน่ยคนยุคแปดหมื่นปีแล้วมาเทียบกับเราไหมแปดหมื่นปีกับหไม่รู้จะเทียบยังไงเลยในชีวิตใช่ไหมบอกนิดหน่อยค่อนข้างมากเลยครับบาทบางทีเราลองคิดลองลองทํางานดูนะถามหลายหลายคนนะที่มีงานการอะไรเ ย, ยอะๆเนี่ยโอ้ยหมดวันไปแล้วโอ้ยหมดวันไม่ได้ไม่ได้ไไดเลยเล ย, เล ย, เลยในนิดเดียวนิดเดียวแค่ okay, นะั้นเดี๋ยววันนี้ก็หมดวันนี้ก็หม ด, นนหมดใช่ไหม ลองนั่นนอนดูสินอนแบบไม่ค่อยตื่นแปบ๊บเดียวเอาเที่ยงลุกขึ้นมาว่ากินอาหารไปเสร็จเดี๋ยวไปนอนสักหน่อยแปบ๊บเอาเมื่อเดียวอยู่อย่างเงี้ยถึงบอกโอ้ยวันนหนึนน่งว่เดี๋ยวฉนันนึกบอกว่าตรงนี้ท่านสอนที่บอกว่าจักขุนศีพิกษุทะลวงแล้วด้วยเหล่าเหล็กอันร้อนชนลุกรุ่งโรโชดช่วงยังประเสริฐกว่าส่วนการถือเอานิมิตคือถ้าไปมองคําว่าถือโดยนิมิตเนี่ยเช่น เออถ้าไปเห็นโดยความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยท่านว่าถือโดยนิมิตเนีโอ้นั้นหญิงนั้นชายนั้นพ่อนั้นแม่นั้นคนเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยถือโดยนุพยะยชนะก็คือโอ้คิ้วตาจมูกปากหูเป็นต้นลักษณะถือโดยนุพยะยชนะก็คือไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านั้นแล้วเป็นปัจจัยทําให้กิเลสเกิดท่านว่าไม่เป็นเหตุฉะนั้นคําว่าสังวรนี่เป็นชื่อของสติ คือการสัมรวมในจักขุนสีโสตินสีคาณินสีเป็นต้นสติเนี่ยถามบอกว่าการสัมรวมหรือการไม่สัมรวมในจักรุณจักรุทีย่อมไม่มีแม้ก็จริงเขาบอกว่าการมีสติหรือการลืมสติย่อมไม่เกิดขึ้นพ่อสายจักขคูประสาทในการไดรูปอารมณ์มาสู่คลองจักขคูในการนั้นเมื่อพวังเป็นไปสองครั้งดับเป็นต้นตรงนี้เขาว่าลำดับของวิถีให้ฟังนี่ยเขาบอกว่า เวลาจะเห็นอารมณ์แต่ละครั้งตาเห็นรูปแต่ละครั้งเนะี่ยมันจะเป็นไปว่าหนึ่งไอ้รูปารมณ์หรือสีต่างๆมันเข้ามาสู่ครองท่านใช้คําว่าครองเนะี่ยคือจักขู่คือตาเนี่ยเข้ามาสู่ครองจักขู่คือตาเมื่อเข้ามาเบสเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาผวังคือจิตนี่นะปกติเนี่ยจิตในไม่ปาราบรูปารมณ์เนี่ยยังไม่ปารอยังไม่เห็นนี่นะต่อมานั้นจิตนั้นมันจะอย่างยกตัวอย่างเป็นผวังธรรมดา ต่อมาก็ผวังก็ไหวขึ้นสองขันธ์ดับไปแล้วเนี่ยต่อมาก็คือปัญจทวาราวัชนะก็เกิดเขาเรียกว่ามโนธาตุป่ายกิริยาเกิดขึ้นทำกิจอาวัชนะสําเร็จแล้วก็ดับลงเออมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะวิถีจิตจะเป็นอย่างงี้แล้วเมื่อปัญจทวาราวัชนะเนี่ยที่งเป็นกิริยามโนธาตุทำอาวัชนะกิจ ค, คือการพิจารณารูปารมณ์นั้นดับลงแล้ว จักขูวิญ ญ, ญาณก็ทําทัศนกิจสําเร็จเบเสร็จแล้วก็ดับต่อมาสัมปติชนะซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นทําสัมปติชนะกิจแล้วก็ดับต่อแต่นั้นก็มโนมโนวิญญาณธาตุอันเป็นอเหิตุกา ว, วิบากคือสันติระนากิจเนะี่ยทำกิจแล้วก็ดับลงประการต่อมาก็คือมโนวิญญาณธาตุอันเป็นอเหิตุกาวฝ่ายกิริยาก็เกิดขึ้น ท, ทํำวอดทพนกิจ เสร็จแล้วก็ดับลงแล้วต่อไปก็ชาวนะหนึ่งสองสาสี่้าหกเจ็ดเนี่ยชาวนาคือการเสพอารมณ์ก็แล่นไปเป็นต้นแล้วก็ลงสู่ผวังทีนี้ถ้าโทษหรือบอกการในสมัยใดสมัยหนึ่งเนี่ยนะการสำรวมหรือไม่สำรวมย่อมไม่มีเช่นเดียวกันแต่ในขณะแห่งชาวนะจิตถ้าโทษเครื่องทุศีนและความเป็นผู้หลงหลืมสติความไม่รู้ความไม่อดทน ความเกียจค้านเกิดขึ้น้ายนี้เป็นการไม่สังวรความไม่สำรวมการไม่สังวรนั้นแม้เป็นอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นความไม่สำรวมในจักขุนศีคือบอกว่าแท้ที่จริงเนี่ยนะถ้าว่าให้ละเอียดลึกลงไปเนี่ยที่จริง่ทางในขณะที่ทางปัญจทวารเราฉเฉยพวางกัจิตเป็นไปสองขณะเป็นต้น แล้วต่อมาปัญจทวารวชนะจากขูยิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวเถนะเป็นไปอยู่ในขณะ น, นี้ในขณะนั้นสติไม่เกิดหรอกหรือการหลงลืมสติไม่ได้มีในขณะนั้นแต่พอไปถึงช่วงชาวนะที่เสพอารมณ์ตรงเนี้ถ้าเป็นการเป็นโทสะเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลเกิดขึ้นในขณะนั้นในขณะนั้นชื่อว่าเป็นความทุศีลเกิดขึ้นแล้วความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่รู้ความไม่อดทนหรือความเกียดค้าน อันนั้นเป็นการไม่สังวรแต่ถ้าหากว่าชาวนะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนะเป็นกุศลเช่นมีสติเป็นต้นเกิดขึ้นในขณะนั้นอันนั้นชื่อว่าเป็นการสังวรเกิดขึ้นนี่เขาถามว่าเออทำไมจึงจัดอย่างนั้นเพราะเมื่อมีการไม่สํารวมในจักรคุณีนั้นเนะ่ยทวารก็ดีพวังก็ดีวิถีจิตมีอาวชนะเป็นต้นก็ดีย่อมเป็นอันพระโยคาวจรไม่คุ้มครองแล้วนี่ท่านก็อุปมาบอกว่า ออถ้าหากว่าเราไม่สำรวนระวังนี่นะเปรียบเสมือนบอกว่าเมื่อประตูเมืองทั้งสี่ด้านในนคะร อ, อันบุคคลไม่คุ้มครองแล้วภายในเรือนซุ้มของประตูและห้องเป็นต้นอันบุคคลคุ้มครองดีแล้วแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นน่ยสิ่งของทุกอย่างในพระนครเป็นอันไม่ได้รักษาไม่ได้คุ้มครองเลยเพราะโจรเนี่ยนะสามารถเข้าไปทางประตูพระนครก็ลักสิ่งของได้ตามปรารถนาเั่นใดนั้นโทษ เรื่องทุศีนังเกิดขึ้นในชวนะจิตเมื่อมีการไม่สํารวมชวนะจิตนั้นทวานก็ดีผวังก็ดีวิถีจิตเป็นต้นอวัชนะเป็นต้นก็ดีเป็นอันภิกษุไม่ได้คุ้มครองเช่นเดียวกันนั้นถ้าบอกว่าขั้นอุปมาว่ามีเมืองเมืองหนึ่งมีประตูสี่ด้านทั้งสี่ด้านเปิดประตูไว้หมดเข้าใจัหมแต่คนในเมืองนั้นน่ะพากันปิดห้องแล้วอย่างดีแต่ชื่อว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่คุ้มครอง เพราะไม่ได้ปิดประตูใหญ่ถ้าโจรก็เข้ามาเนี่ยถึงบ้านเล็กบ้านน้อยเขา ง, งัดเขารักได้หมดแลยเพราะโจรมันเข้ามาได้เพราะไม่ประตูใหญ่ไม่ได้ปิดชั้นใดคือในการเห็นอารมณ์ต่างๆจริงอยู่ทางทวารตาเนี่ยเป็นต้นหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเหล่านี้เราเปิดไม่เปิดมันต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาไงไม่ใช่การปฏิบัตินั้นท่านสอนต ร, ตรงนี้ว่าไม่ใช่ไปหลับตาไม่ใช่ไปเอาอะไรไปอุดหูหรือไม่ใช่ไปอะไรไปปิดจมูกหรือไม่ยอมกินอย่างเงี้ย หรือเอาอะไรไปแปะกายไว้ไม่ให้สัมผัสหรือไม่พยายามคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้การปฏิบัติไม่ได้ทําแบบนั้นอย่างนี้ก็มีคําพูดกันบอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาเสียบ้างปิดปากเสียบ้างแล้วจะนั่งสบายก็เขามีที่ปฏิบัติบางวัดเขเขียนอย่างนี้นะที่จริงไม่ใช่เมันผิดตระการปฏิบัติถามว่าปิดหูเมันปิดได้จริงไหมการปฏิบัติไม่ใช่ปิดหูแล้วปิดตาปิดปากมันไม่ใช่ เขาสอนให้สังวรให้ระวังเขาให้ปิดเกี่ยสังวรนี่ที่ไปแปลกันว่าปิดน่ะถูกไม่ถูกแต่ไม่ใช่ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดลิ้นปิดกายปิดใจแต่เป็นการปิดไม่ให้บาปเกิดหรือกันไม่ให้บาปเกิดในขณะที่เห็นเป็นต้นก็ยังจึงจะเรียกว่าสัมรวมจึงจะเรียกว่าสัมรวมหรือจะสิ่งเรียกว่าสังวรทีนี้พระบอกว่าเห็นโดยไม่ให้ใจเป็นบาป ได้ยินโดยไม่ให้ใจเป็นบาปเนี่ยคนก็ทําไม่ได้เข้าใจไหมคือเห็นแล้วไม่ให้ทุศีลเกิดขึ้นน่คือถ้าเห็นแล้วทุศีลเนี่ยศีลขาดเอาการเห็นแล้วทุศีลได้ไหมได้เห็นแล้วทําให้เรากล่าวว่าจีทุจริตเป็นต้นก็เอ่ยกายจะทุจริตเป็นต้นก็ได้มีการฆ่าการลักเป็นต้นก็ได้เห็นแล้วทําให้เรากล่าวว่าจีทุจริตเป็นต้นก็ได้นี่ไหม แสรุปก็คือว่าเห็นสิ่งใดแล้วเป็นปัจจัยให้ทุศีลเกิดขึ้นต้องปิดไม่ให้บาปประเภทนั้นเกิดขึ้นหรือถ้เห็นสิ่งใดแล้วเนี่ยเป็นเหตุทําให้ทําให้อภิชาและโทมนัตต่างๆเกิดขึ้นเงี้ยมันขาดสติสังวรบางทีก็เมตตาไม่เกิดบางทีก็กามวิตกพยาบาทวิตกเกิดขึ้นเห็นแล้วไม่ได้พิจารณาเป็นต้นเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าศีล ถ้าหากว่าศีลเกิดยกตัวยอย่างเช่นว่าในขณะที่เห็นแล้วเนี่ยนะการมีศีลเกิดขึ้นมีสติมีญาณะคือความรู้มีความอดทนแล้วก็มีความเพียรเกิดขึ้นในขณะนั้นน่ยนะ ใ, ในชาวนาจิตในขณะนั้นทวารก็ดีผวางก็ดีวิถีจิตก็ดีอวัชนะเป็นต้นก็ดีย่อมภิกษุคุ้มครองดีแล้วเหมือนอะไรพระนครเนะี่ย ถ้าหากปิดประตูทั้งสีด้านปิดดีแล้วถึงแม้ในบ้านจะเปิดก็ไม่เป็นไรอย่างวัดนี่นะสมมติประตูวัดเนี่ยปิดไว้ดีทุกทั้งสี่ด้านเลยกุฏินี้เปิดได้สบายไม่เป็นไรหมายถึงคนในวัดไม่เป็นหนะึ่งนี่อุปมาต้องเขา้าใจเย่องนี้ไม่ได้ที่คนในวัดไม่ได้บอกว่าถ้าปิดปิดประตูนอกดีแล้วประตูในไม่ปิดก็ไม่เป็นไรอันนั้นเขาเรียกว่าคุ้มครองดีแล้วชั้นใดเมื่อสิ่บางเกิดขึ้นในชาวนะจิต เมื่อศีลเกิดสติเกิดญาณะคือปัญญาเกิดความเพียรเกิดความอดทนเกิดขึ้นในชาวนะอันนั้นเรียกว่าเป็นการสํารวมจักขุนสีด้วยก็<ส là>ในที่นี้สติสังวรนั้นบึงทราบว่าพราะองค์ทรงประสงค์เอาแล้วบุคคลเมื่อสํารวมแล้วย่อมสํารวมในจักขุนสีชื่อว่าจักขุนตรีสังวราสังวโตผู้เข้าถึงแล้วด้วยการสํารวมจักขุนสีอย่างนี้ก็เรียกสํารวมแล้วก็คือไม่ให้บาปเกิดนั่นเองีกประการหนึ่งก็คือว่า ปาติโมกสังวรการสมรวมในพระปาติโมกคำนั้นบันดิตพึงรวมเข้าเป็นอันเดียวกันกับคำว่าศีลและสังวรอันเดียวกันนะปาติโมกสังวรศีลและสังวรอันเดียวกันนะก็คือการรักษาศีลภิกสูเป็นผู้สมรวมแล้วด้วยจักขุนสีที่ชื่อว่าผู้สมรวมเพราะอธถวาสังวรระวังคือการกั้นการปิดสังวรในจักขุนสีก็คือพิก ผู้มีจากขุนศีอันระวังรักษาแล้วก็คือแบบเออท่านพวกนี้ปิดแล้วปิดตาระวังรักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางตาแล้วปิดกั้นไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางหูแล้วปิดกั้นไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเนีหเหมือนการปิดบานประตูที่ประตูเรือนเช่นั้นเหมือนกันนั่นแหละปัญหาก็คือว่า ผู้สัมรวมระวังทางจักขุนศีอยู่อย่างนี้ด้วยการอยู่ด้วยรยาบทใดบทหนึ่งเป็นต้นเห็นไหมว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะอยู่ในยาบทไหนก็ได้ถ้าเราป้องกันบาปได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้ก็จะนอนก็ได้ใช่ไหมบาปก็จะไม่มาลุกลามไม่ทําให้เราเดือดร้อนไม่ทําให้เรายุ่งยากจิตใจเ อ, อหน้าหน้าทำเหมือนกันนะนะถ้าเราสามารถปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ จะไปไหนก็ได้แล้วก็พาไปไหนแล้วก็ไปแต่ไปดูผู้เหี่อบาปก็ไม่เกิดไปได้ยินเสียงบาปก็ไม่เกิดแม้ถ้าทําได้อย่างนี้เก่งมากเลยตัวเนี้ยสบายแล้วท้าทายบาปได้ <c ười> คนจะมายัวย่วยวนยังไงก็ก็ไม่เกิดไม่เกิดกิเลสอาสวะสี่คือกามาสวะผวาสวะทิฏฐาสวะวิชาสวะ ความเร่าร้อนเพราะคีเลตคือความเร่าร้อนเพราะวิบากันทําความคับแค้นใจเราอื่นความจริงในกามมาสวะเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ชอบใจเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอิทถารมมาปรากฏในจักรุทวานด้วยอำนาจความชอบใจในกามเขาบอกเออความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะถามว่าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเร่าร้อนไม่ใช่ความเร่าร้อนเพราะอะไรเพราะวิบากันทำความคับแค้นใจเหล่านั้นกามมาสวะบังเกิดขึ้นแก่ใคร แกบุคคลผู้ชอบใจและเพลิดเพลินในไหนในอิทธารมณ์อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่ายินดีมาปรากฏตรงไหนบุกอารมณ์ที่น่ายินดีที่มาปรากฏทางตาอารมณ์ที่น่ายินดีที่มาปรากฏทางหูอารมณ์ที่น่ายินดีมาปรากฏทางจมูกกินหอมหอมเห็นไหมอารมณ์ที่น่ายินดีมาปรากฏทางลิ้นอาหารอร่อยอร่อยเนยอารมณ์ที่น่ายินดีที่ปรากฏทางกายบุกได้เสื้อผ้าได้สิ่ง นิ่มๆต่างๆมาสัมผัสกายเนี่ยอารมณ์ที่น่ายินดีที่ปรากฏทางใจบอกบางทีเราไปที่ไหนหรือคิดถึงสถานที่น่าเที่ยวเพลิดเพลินเป็นต้นอนี้อันเนี้ยอันเนี้ยก็นน เ, เรียกว่ากา ม, มาสะวะความยินดีพอใจในกามก็เกิดส่วนภาวะสวะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความยินดีความปรารถนาในพบว่าเราจับได้สมบัติเช่นนี้ในสุขติพบแม่อื่นนี่ภวาสะวะจะเกิด บางคนเนี่ยให้ทานรักษาศีลแต่คิดก็ว่าว่าอ ย, อย่างเรานี่ต้องได้สุคติภพหรือถ้าในในปัจจุบันเนะี่ยังน้อยเราก็ต้องได้ปเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นมนุษย์เราก็ต้องรวยใช่ไหมต้องรวยเนี่ยเพราะเราให้ขนาดเนี้ยเราให้ทานขนาดเนี้บางคนพูดพูดคำนี้เลยเนี่ยว่า อ, อย่างย่อมตายเกิดใหม่ก็ไม่ลําบากถามั่นใจไงอุย้ยกให้มาให้มาตั้งแต่อายุแปดขวบ ใหท้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยหวังอย่างนี้เป็นอะไรเป็นภาวาสวะยินดีในพบเห็น ไ, ไหมยินดีในพบแต่คําว่ายินดีในพบเนี่ยเอาเป็นมนุษย์เนี่ยยินดีในพบของสัตว์เดรัจฉานได้ไหมได้ทําไมไม่ได้เพระโพธิสัตว์ยังเคยยินดีแล้วยินดีในพบของพญานาคพอไปเกิดจึงรู้ว่าโอเป็นอริยตุกะหรือในเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่เป็นขอทานน่ย ก็เป็นขอทานอ๊ยลําบากมากอาหารหากินก็ยากมีอยู่วันหนึ่งก็ไปเห็นเศรษฐีก็มาเศรษฐีก็มามีสุนัขโอ้โหสุนัขเขาเลี้ยงอย่างดีแล้วพอต่อมาเขาก็แบ่งอาหารให้กินแต่อาหารนั้นเลวอาหารนั้นต่ํากว่าอาหารของสุนัขที่เศรษฐีเขาให้แต่พอมากินอิ่มเบอเศรษฐีมันชื่นใจนะนึกแม่แว่างั้นกินอย่างเต็มเที่ยวนนั่นเ่ย ออืถ้าเราได้อาหารตักครึ่งหนึ่งของสุนัขนะเราคงจะมีความสุขแหมชีวิตของเรานี่มันมันแย่ยิ่งกว่าสุนัขนี่เอ้ยถ้าเกิดใหม่ถ้าตายอะไรถ้าเกิดตายไปแล้วขอเกิดมนุษย์นี่ไม่อยากเป็นนะขอเป็นสุนัขของเศรษฐีดีกว่าว่างั้นนะใจก็น้อมเยงเนี้ยนอนไปเลยตายเลยได้ไปเกิดในท้องสุนัขตัวนั้นเนะี่ยแล้วต่อมาก็ สุนัขนั้นคลอดออกมาก็เลยเป็นหมาแสนรู้เลยเป็นหมาแสนรู้ทีนี้ก็เศรษฐีก็ทําบุญทําบุญก็มีเพราะพระเจกับพระเจ้ามาก็เลยสุนัขตัวนี้ก็คอยเวลับไปส่งหมาครั้งหนึ่งก็เศรษฐีก็เออไปนี่มนบะพระมาจะทำบุญหมาก็วิ่งไปไปเห่าเห่านี่คือเคยคุ้นเคยพระก็รู้แล้วมาเดินเดินเดินมาพระก็รู้เออ พระเริ่มเดินไปทางอีกทางหนึ่งก็ไปกัดทีวรดึงให้เข้าถางเข้าทีเข้างก็จะ เ, เป็นอย่างนี้แล้วต่อมาหมานี่ก็ตายพอตายไ ป, ไปเบสเ็จไปเกิดปเดป็นเทวดาเขาเรียกเขาเลยมีชื่อว่าโคสกะเทวผบุตรเนี่ยคือเสียงดังเหา่าเห่าจนตายตอนนั้นพระบาเจกวิจเจ้าท่านไปตอนเป็นสุนัขท่านจากไปแล้วก็อะไรเอะวัดเหา่าเห่าจนตายเลย แล้วต่อมาตายจากเทพบระวุติมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนเสียงเพราะเสียงดังมากพราะอาศัยการเหา่าเอาเอาเสียงเหา่าทําบุญเลยเป็นโคสกะเศรษฐีมาเป็นเศรษฐีวิเศษคนยินดีได้นะยินดีสุขติภพไม่ใช่ยินดีสุขติพบอย่างเดียวบางทียินดีทุกขติภพที่เป็นทุกขติเนี่ยเป็นพระวาสวะได้ไม่ได้ ในความยินดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามนุษย์จะไปยินดีเฉพาะว่าพบที่สูงขึ้นหรอกที่มนุษย์ยินดีพบที่ต่ำใช่ไหมยินดีในการบินสัตว์เดรัจฉานบางคนพูดถึงางนั้นเลยนะมีเพลงสมัยโบราณใช่ไหมอยากเกิดเป็นนกเก็ได้ยินเนอะอยากเกิดเป็นนกแสดงอยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเ <c oughs> พลงโบราณน่ยมีเยอะเนอะไอเพลงลักหน่อยอยากเกิดเป็นนกเอี้ยงก็มีอยากเกิดเป็นนกเขาก็มีอะไรเงี้ย ก็แสดงให้เห็นชัดว่าเขาเขายินด <walker> mm ีในภพของอบายภูม hmm. <For yourself. S 2> mm ิไอ้นั้นเป็นพระวาสวะคือยินดีพอใจในภพแค่นั้นพูดถึงในเรื่องของภพเนี่ยในในคำสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยหรือในสายตาของคนที่เขาปราถนาจะพ้นทุกข์เนี่ยก็เห็นภพทุกภพประดุจดังไฟไหม้เขาไม่เห็นเป็นที่น่ารื่นรมน่ายินดีอะไรในสายเหมือนสายตาของบุรุูชนทั่วไปเลยใช่ไหมผูรุูชนเนี่ยเอ ดีนะมีความสุขการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างจริงไม่มีดีเดี๋ยวแต่ละคนก็โอ้ยเต็มไปได้วยโรคภัยไข้เจ็บเต็มเหมือนจะมีความสุขกันก็เอามีมีเครื่องล่อเยอะมากทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วได้ไหมเกิดมาแล้วก็ถูกหลอกถูกล่อตั้งแต่เด็กแล้วมีของเล่นเอาของเล่นมาลอยเราติดว่ติดของเล่นอาพอโตขึ้นมาหน่อยก็คือเขาจะมีเครื่องล่อเราตลอดเลยนะ กรารมคุณเนี่ยถูกแล้วถูกล่อหลอกเมื่อเด็กเกิดมาแล้วเราก็จะถูกสอนใช่ไหมถ้าเด็กอยากให้เด็กฉลาดก็จะต้องมีของเล่นแบบไหนแบบไห น, นให้เล่นอะไรสารพัดพอหลังจากโตขึ้นมาโตขึ้นมาบางคนให้ติดเนี่ยสอนให้ติดให้ยึดแล้วถูกสอนแบบนี้ตลอดไม่มีนะแต่ละคนที่ว่าพะลูกเริ่มจําความได้แล้วสอนให้ โลกรู้จักเจริญกุศลรู้จักการปล่อยลัปล่อยวางเราไม่ได้ถูกสอนแบบนี้มาเลยเนะยชีวิตใช่ไหมชีวิตถูกสอนให้ยึดให้ติดให้ทํามาหากินให้แสวงหาเงินหาทองหาบ้านหาอะไรแล้วถูกสอนแบบเนี้ยนั้นคนมีบุญเท่านั้นที่จะคิดตรงกันข้ามได้ใช่ไหมแล้วถูกสอนให้แบบเนี้ยเออต้องทํามาหากินต้องมีบ้านมีช่องต้องมีหน้ามีตาต้องอะไรต่างๆนี้ก็จะคือให้ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ไว้อะ ก็เหมือนกับเจ้าชายสิทธถาใช่ไหมพระเจ้าสุโธธนาก็เอาอะไรมาล่อให้ติแต่เราไม่ได้เกิดในตระกูลอย่างนั้นเสียเราก็เลยไม่มีเครื่องล่อเยอะถ้ามีเครื่องล่ออย่างนั้นสงสัยยูงง่ไม่ออกออกไม่ได้เงินเก่าวไว้ในกัมพี น, นี่แปดหมื่นสี่พันนางแนงสนมที่คอยดูแลเจ้าชายสิทธถาเนี่ยแปดหมื 8, 000, 000, นสี่พันนางเนะย โอ้โหจะเป็นหลายๆคนมีคนก็ไอ้ดูแลขนาดนั้นมีเรื่องที่จะพลากออกจากกรรมบคุณขนาดนั้นเห็นไหมออกไปอยู่ในป่าโดดเดี่ยวอย่างนี้โอ้โห و, มันใจมันต้องแน่จริงๆนะถึงจะคิดได้อย่างนัน้คนต้องมียานปัญญาค่อนข้างดีแก่เก้าจริงๆที่จะคิดหักหมุมได้คิดออกจากทุกตรงนั้นได้มีโยมอยู่คนหนึ่งที่อยู่ตรงไงโรงพยาบาลศิรีราชเนะี่ยมีที่รักวางไอ้วาเนี่ก็เป็นที่เช่าได้เลย แล้วก็เคยบวช ด, ด้วยนายงวเนี้วานึงที่เช่าแกไม่ยอมไปไหนเลยแกกลัวจะเสียสิทธิ์ที่แกก็จะขายไม่ได้แล้วเดินก็จะเดินไม่ได้แล้วแกก็ต้องไปขอนั่งตรงนั้นนะเอาของอะไรไปวางขายนิดหน่อยแกกลัวจะเสียสิทธิ์ที่ตรงนั้นนะวานไม่ใช่ที่ตัวเองด้วยนะคือสามวางวางขายของได้อะไรได้เพราะถ้าหากเราไม่ขาย หรือว่าเกี่ยวกับญาติพี่น้องไม่ขายของตรงนั้นเบ็ดเสร็จสิทธิ์นั้นก็เสียให้คนอื่นเซ้งไม่ได้มันจะมีกติกางมันอย่างนั้นนีแกก็โหก็ต้องลากสังขารไปก็ว่างั้นใจและใจผูกอย่างนั้นะควรจะไปตรงไหนยังไม้ยันี่ก็เป็นเรื่องดี่ ท, ท, ที่ที่ควรควรเอามาคิดเอามาสังวรระวังการไม่ได้พิจารณาถ้าคุยธรรมะคุยอะไรแกรู้หมดเนี่ยสอนคนอื่นได้ประเภทขวานนลยนะขวานนี่ถาก สิ่งอื่นได้หมดแต่ถักแต่ด้ามตัวเองถักไม่ได้เพราว่าเงินเออประเวศขวานมีใครที่ก็ไปไปบรรยายทำแล้วยอมเอาขวานก็พัดลมมาถวายยอมไม่เอาขวานมาถวายขวานทีนยอมนี่มันแปลกมันชอบถากคนอื่นไม่ถากด้ามตัวเองอตัวปาสะดุ้งเอาแล้วพัดลมเลยเป่าไอ้คนอื่นเย็นแต่ก้นมันร้อนก็เสร็จเลยนี่เขเรียกว่าไม่ตอนตัวนี้ ยาพิษต้องระวังไว้นี่สอนลูกมากๆแล้วแม่ทําได้รไหรือเปล่าเลยยุงเลยนี่สอนไม่ให้หนูโกรธใช่ไหมแต่เห็นแม่โกรธทุกวันเลยยุ่งเลยน <c oughs> <c oughs> ี่ก็ย้อนเอาที่ยุ่งบางคนก็บอกอบอกให้ทําอย่างที่ขา้าพเจ้าพูดแต่อย่าทําอย่างที่ขา้าพเจ้าทำ <c oughs> บางอย่างว่าพูดยังไงทําตามนั้นเนลยแต่ถ้าจะทํำยังไงอย่างนไม่ต้องทําตามก็ ทวารสะวะเกิดขึ้นโดยมีความยินดีความปรารถนาในภพว่าเราจะได้สมบัติเช่นสุขติภพเป็นต้นแม้อื่นๆก็ได้ทิฏฐาสะวะาบาังเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยึดถือว่าเป็นสัตว์หรือเป็นของสัตว์ทิฏฐาสะวะหรือทิฏฐีความเม้นผิดเนี่ยคือไปยึดถือโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นบุคคล นันตัวทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่แค่ยึดถือโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแม่เท่านั้นนะ ย, ยังไปยึดถือหรือไปเข้าใจผิดถ้ายึดถือหรือเข้าใจผิดที่หนักๆ น, น, นะเช่นทานที่ให้แล้วไม่มีผลเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือว่าการบูชาไม่มีผลคุณพ่อแม่ไม่มีเป็นต้นเหล่าเนี้ที่มัเป็นลักษณะของวิชาทิฏฐิทาน ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการวงสวงไม่มีผลผลของวิบากกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ตัดสู้ดำเนินโดยชอบหรือเขาจะรู้แจ้งแทงตลอดสัจจะโดยตนเองไม่มีเป็นต้นเนความเห็นขนาดนี้เป็นความเห็นที่ยุ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ดุนแลงเมื่อ แต่ถ้าหากความเห็นผิดที่เกิดขึ้นกับบรรดาชาวพุทธทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมนี่เนี่ยเป็นถึงรียกวยึดถือโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะยึดถือโดยความเป็นเราเป็นของของเราเป็นต้นนี้ยึดถือด้วยมานะยึดถือด้วยทิฏฐิถ้ายึดถือด้วยทิฏฐิก็คือยึดถือเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไปตรงนี้สําคัญมากเพราะเมื่อความีความยึดถืออย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปัญญาก็ไม่สามารถที่จะไป เข้าใจสิ่งต่างๆนะท่านยิ่งเวลาเวลาปฏิบัติเนี่ยท่านยิงสอนไงให้สอนให้พิจารณาแยกโ อ, โอ้นี่เป็นรูปธรรมนะนี่เป็นนามธรรมนะยกตัวอย่างเช่นดินน้ำไฟลมที่ประกอบกันด้วยนะี่นะอย่างเช่นในผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอยือ่อกล้ามเเยื่อในกระดูกม้ามาหัวใจไตตับกรดทั้งผือ่ดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเว็นั้ๆๆนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยดินน้าไฟลม ทุกส่วนของร่างกายทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเบริชมันอยู่นี่นะอันนี้เป็นส่วนของรูปนืรูปธรรมเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนนามธรรมาคือจิตและธรรมะที่เกิดร่วมกันกับจิตเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองส่วนนี้เป็นรูปธรรมและนามธรรมา ท, ทีนี้พอสองส่วนรวมกันเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกเป็นขันก็ได้เรียกเป็นรูปเป็นนามก็ได้เป็นรูปประขันเป็นเวทนาขันเป็น สัญญาขันเป็นสังขารลขันเป็นวิญญาณขันรวมเป็นขันแต่พอไปบอกว่าเออมีชื่อเนะียพอมีชื่อมีแยกแยะโดยความเป็นหญิงเป็นชายโดยการสมมุติขึ้นมาเขาก็กล่าวบอกว่าเออมนุษย์เขาถามว่ามนุษย์ในโลกในโลกมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นการเกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยเกิดยังไงแล้วก็สัตว์ที่มาจากภพไหนมาเกิดในมนุษย์นี้ เขาก็กล่าวว่าในในพระสูตรท้านก็กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกบอกว่าโลกเนี้ยก็เกิดมาจากการรวมกลุ่มกันของดินน้ำไปล้มจากก้อนเล็กๆแล้วก็รวมตัวกันจนใหญ่ขึ้นมาก็กลายเป็นโลกใบนี้เป็นดาวดวงหนึ่งขึ้นมาต่อมาก็คือมีพรมมาจากอีกโลกหนึ่งก็มาโลกใบนี้บอกโอ้โหพรมเหล่านั้นล้วนจะมีแสงสว่างในตัวเต็มไปหมดนในยุคนั้นก็คือว่าไม่ต้องใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ เพราะว่าพวกพรมเนี่ยเขามีฌานมีสมาบัติมีอพิญญามีบุญกุศลมากตัวเขาแสงสว่างเขาได้งามมากนี่พอมาอยู่แล้วเนี่ยสภาพของตัณหาก็เกิดความยินดีความเพลิดเพลินเพราะกามาตัณหาเกิดเพราะว่าตัณหาก็เกิดในความยินดีพอใจในกามคุณความยินดีในพบต่างๆเพราะพอสภาพของตัณหาต่างๆเกิดขึ้นมาในสภาพของไอแสงสว่างก็ลดลงลดลง เริ่มแล้เริ่มจะกลายเป็นมนุษย์นะใหม่ๆจริงๆไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเพศไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะอยู่ด้วยกําลังของฌานพรอสภาพของฌานนั้นเสื่อมไปด้วยอํานาจของการบุคคลที่เกิดขึ้นกระจายสภาพของไอคุณวิเศษทั้งหลายมีการเหาะมีการอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ก็หายหายไปแล้วก็กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาหนัเข้าหนัเข้าก็พอเกิดความยินดีเพลิดเพลินขึ้นมาเนี่ยก็เกิดมีเพศมีอะไรต่างๆขึ้นมานะเข้าก็เนี่ยมีการกระทําสิ่งที่ ผิดแปลกต่างๆออกมานะลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าหนักเข้าก็คือว่ามีการสมมุตินี่เป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายอสมมุติตรงเนี้คยคือจริงเอาขันห้ามาสมมุติด้วยความเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็มีการเป็นตั้งชื่อตั้งอะไรกันขึ้นมาเบื่เสร็จในอทิฏฐิตัวนี้ก็เข้าไปยึดยึดไปยึดมามันก็แน่นเลยในฝังแน่นด้วยความไม่แยกแยะไม่เห็นตามว่ามเป็นหญิงแล้วเน้นสภาพของทิฏฐิเนี่ยมันก็ยึด อันนี้ถามว่าในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดแบบนี้มาไม่รู้เท่าไหร่ฉนั้นเวลา ม, ามองที่จะแยกแยะเนี่ยมันมองไม่ออกแต่ถ้ามองโดยบัญญัติโดยการสมมุติเป็นต้นเหล่าเนี้โอ้โหเห็นชัดแล้วเกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความยึดลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐาสะวะเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นต้น ความไม่รู้ซึ่งบังเกิดขึ้นกับอาสวะทั้งหมดอันนั้นเป็นอวิชชาไม่รู้ว่าอนี้เป็นกามาสวะนะไม่รู้นะอันนี้เป็นภวาสวะไม่รู้นะอันนี้เป็นทิฏฐาสวะไม่รู้ว่านี่เป็นอวิชชาสวะก็คืออวิชชาสวะอาสวะสี่ย่อบังเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวมาเนี่ยแม่กิเลสทั้งหลายเหล่าอื่นซึ่งสัมัติยศกับอาสวะเหล่านั้นความเราร้อนความขับแคนความกวนกวาหรือวิบากในภพต่อไป ของกิเลสเหล่านั้นเหล่าใดแท้ที่จริงกิเลสเป็นต้นเหล่านั้นท่านกล่าวว่าพึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่สำรวมเหมือนกันเขาบอกถ้าหากอาสวะต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็กิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ก็เจริญยิ่งยๆขึ้นไปฉะนั้นลักษณะของกามาสวะพระวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะการไม่สำรวมใช่ไหมเพราะการไม่ปิดไม่ปิด ตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจเป็นต้นเมื่อไม่ปิดทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเหล่าเนี้ยบาปอากุศนที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญภัยบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่ในข้อที่บอกว่าภิกษุไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปิดบาปเขาเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการโดยกา ร, โ ด, การโดยการสังวรโดยการปิดด้วยการกัน เขกว่าภิกสุพิจารณาโดยแยกคายแล้วสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอันนี้เขาเรียกว่าละได้ด้วยการสังวรพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกสูทั้งหลายอาสวะเหล่านี้คือกามาสวะภะวาสวะทิฏฐสวะวิชาสวะเราตถาคตกล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการสังวรใช่ไหมก็มีก็มีปาฏิโมกสังวรเป็นต้นเหล่านั้นประการที่สาม พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่จะพึงละได้โดยการพิจารณาการเสพก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเสพจีวรเพียงเพื่อกําจัดความหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ให้ความละอายกำเริบพิจารณาโดยแยบคลายแล้วเสพบินทบาดไม่ใช่เพื่อจะเล่น บินบาตในที่นั้นคืออาหารเนะไม่ใช่เพื่อจะเล่นไม่ใช่เพื่อเมาเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้เป็นไปเพื่อกําจัดความวิบากความลําบากเพื่ออนุเคราะห์แก่การบูรพ์ พ, พรหมจรรย์โดยคิดว่าจะ ก, กําจัดเวทนาเก่าเสียด้วยจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วยความเป็นไปโดยความไม่มีโทษและความเป็นอยู่โดยผาสุขด้วยจกมีแก่เราดังนี้เป็นต้นนี้นะ แล้วก็พิจารณาโดยแยกคลายเสษเสนาสนะที่อยู่อาศัยเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่ออะไรในทัศนะในความเห็นของอในในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเพียงเพื่อกําจัดความหนาวเออมีเสนาสนะที่อยู่เพื่อกําจัดความหนาวความรอม้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์ร้ายคานเพียงเพื่อบำรเทาอันตรายแต่ฤดูฤดูร้อนหรือฤ ด, ด, อ ด, หอดูหนาวหรือฝนเนี่ยนะเพื่อรื่นลมในการหลีก เล้นอยู่พิจารณาโดยแยกใครเป็นไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพิจารณาโดยแยกใครไว้แล้วว่าเสบบริขารคือยาอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้เพื่อกําจัดเวทนาที่เกิดแต่อาพาสต่างๆในอาพาสที่เกิดจากโรคต่างๆจากคูโรโคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคลิ้นโรคกายโรคใจเป็นต้นอะย่างนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อความเป็นผู้ไม่อพาสาเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะคือความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่พิจารณาเศษปัจจัยอันใดหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันทางความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุพิจารณาอยู่อย่างนี้อาสวะคือกามาสวะปาวาวสวะทิฏฐาสวะวิช า, าสวะจับไม่กเกิดนืดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราจะถากดกล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการพิจารณาคือการเศษ ตรงนี้ท่านก็สอนบอกว่าออการพิจารณาแบบว่าการเสพเนี่ยยังจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่การที่ป้องกันป้องกันไม่ให้อาสวะทั้งหลายเกิดขึ้นเออในเรื่องการพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาตามคำสอนอย่างนี้แล้วทำให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นโดยเฉพาะ ถามว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในเพศของคารวาดเป็นต้นเ่าเนี้ยเราจะเอาสูตรหรือเอาคำสอนของพุทธเจ้าตรงนี้ไปใช้ได้ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นพิจารณาแล้วใช้สอยก็ต้องบอกว่าได้อาสวะที่พึงระได้ด้วยเสวนาคือการซ่องเสพการใช้สอยการบริโภคภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยกีวรผ้าเครื่องดุงหม่มเพื่อบำบัดความหนาว ความร้อนบําบัดสัมผัสอันเกิดกเกลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ให้เกิดความลายนั้นประการหนึ่งนี่คือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งหม่มนั้นถ้าหาพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะวัตถุประสงค์จริงๆคือป้องกันอย่างนี้จริงๆเนะี่ยหนึ่งหนาวร้อนหรือว่าเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคานแล้วก็ปกปิดอวัยวะเพื่อไม่ให้อาย แค่นี้ถ้าเราว่เราเราคิดแค่ตรงนี้แล้วกิเลส จ, จะไม่เกิดจริงๆนะแต่โดยมากที่ผ่า น, านมาไม่ได้คิดกันแค่ตรงนี้เนี่ยวลาเราจะไปดูเสื้อผ้าเนี่ยเราเคคิดไหมเอออันนี้จะทำให้เราป้องกันความหนาวได้ความร้อนได้อันนี้จะป้องกันยุงเ อ, อ้ยเหลือบหรือสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายจะมากัดมากินเนี่ยหรือแดดเนี่ยนะเราเอออันนี้มันมิชิดดีเพื่อไม่ให้เกิดความละอาย ถ้าตรึกพิจารณาแค่อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะเนี่ยไม่ต้องไปไข้ควรลึกซึ้งมากเลยนะแค่แค่ตรงนี้ก็าสามารถแต่ได้มากคนเราโอ้ยนี่สีสวยดีอย่างนี้ต้องไปงานอะไรใช่ไหมมันจะคิดอย่างนี้นะยมันจะคิดอย่างเงี้ยแต่ถ้า ง, งานงานงานตายต้องสีนี้งานบวชต้องสีนี้งานแต่งสีนี้ใช่ไหมเรือกเป็นงานสังคมงานอะไรต่างอะไรต่างก็ไปเออ น, นี่อันนี้ใส่ไปเที่ยวดีนะอะไรอย่างเงี้ย แท้ที่จริงโดยสูตรโดยคำสอนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการใช้สอยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยหนึ่งถ้าอากาศหนาวป้องกันหนาวได้ไหมถ้าอากาศร้อนเนี่ยเห็นไหมป้องกันร้อนได้ไหมแล้วเหลือบยุงลมแดดเนี่ยป้องกันได้ไหมหรือสัตว์เลื้อยคานเนี่ยใช่ไหมมันจะไปขบมากัดเราเนี่หรือที่สำคัญคือปกปิดอวัยวะเพื่อไม่ให้เกิดความละอาย เพื่อให้เกิดความคือคนบ้คนยุคแรกๆต้นๆเลยเขาไม่อายกันตรงนี้เพราะว่ามนุษย์ยุคแรกมีแสงมีแรงจั่งออกทางตัวก็งามหมดใช่ไม่ต้องมีเสื้อผ้าปิดก็งามดูมันงามมากนี่นะแต่พอต่อมาเนี่ยมันมีกิเลสคืออาสวะทั้งหลายมีการมาสวะเป็นต้นมาเกิดขึ้นมันก็ทําให้แยกเพศเป็นหญิงเป็นชายต่างๆขึ้นมามันก็อายเพราะอายก็ต้องเริ่มหาเสื้อผ้ามาปกมาปิดกัน แต่หมายก่อนบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาปลูกไว้ป้องกันอย่างนี้เหมือนกันป้องกันพวกเพื่อไม่ให้เกิดความลนะอายเป็นต้นเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีบ้านเพื่อป้องกันเป็นต้นเหล่านั้นแล้วใช่ไหมเราจะต้องมีการออกออกแบบออกแบบให้คนอื่นดูแล้วสวยนะให้ติดแล้วเสือ้อเสื้อผ้าบรรดาเครื่องนุ่งหม่มเดี๋ยวนี้มันไปจนถึงระดับโลกแล้วเนี่ยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ คืทอทํายังไงที่จะเป็นเครื่องล่อใจให้คนยึดคนติดถ้าหากว่าคิดอย่างคําสอนของพระเจ้าเนี่ยไอ้ไอ้เครื่องดีไซน์ต่างๆที่ออกแบบเสือสอส้อผ้ามายังไม่มีชุดประหลาดประหลาดเลยออกมาชุดบางชุดนี่ประหลาดมากเนยออกมาแบบประหลาดเลยดูใหม่ๆก็ประหลาดกันแต่บางคนีสนมากโห้ดูดีดูดีคือบางชุดเนี่ยใช่ไหมใส่เนี่ยลากเป็นวาวาเลยอะ จะต้องมีคนคอยถือคอยถือผ้าตามเกินเดินไม่ได้อ่ะโดนเดินแล้วบอกโอ้ไม่เหมาะแลย้ยจะเกิดสงครามขึ้นอะไรขึ้นขึ้นมานี่ยุ่งแล้วใครจะไปมัววิ่งถือตรงนั้นลาวกันมันเขาไม่สนใจหน้าตาดีไม่ดีไงเขาไม่สนใจก็ตัวรอดไว้ก่อนนั้นาเกิดสงครามไม่เกิดปัญห า, าเกิดอุทกภยัยวาตภัยขึ้นมาไปไม่เป็นเลยติดมันติ ด, ตดนี้อยู่นั่นแหละ ให้สังเกตตัวทีตอนเกิดไอลซีอนามิเกิดอะไรนี้ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวกันหรอกเพราะติดแล้วมันหนักไปหมดต้องเอาออกหมดเลยยังไงเอาร อ, อ, อดไว้ก่อนให้ตัวรอดไว้ก่อนแต่ก็ไม่รอดใช่ไหมเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าพิจารณาโดยการเอเอเอาสวะที่ละได้โดยการโดยการซ่องเซฟโดยการพิจารณาตรงนี้ท่านก็สอนบอกว่าท่านสอนบอกว่าจีวอหรือเครื่องนุ่งห่มนี่นี่ยนะ แตบอกว่าถ้าหากไม่พิจารณาแล้วจะเป็นปัจจัยเกิดกามมาสะวะจะเป็นปัจจัยเกิดกามมาสะวะคือความยินดีความติดใจเนี่ยบางครั้งก็เป็นปัจจัยเกิดภาวาสะวะก็ได้ทำให้เป็นปัจจัยการเกิดในภพคือถ้าศึกษาคําสอนดี่ดีปุ๊บเราก็ไปเห็นโอ้โหเทวดานี่เครื่องนุ่งห่มของเขาเป็นทิพย์ใช่ไหมได้ภาพที่เป็นทิพย์อาหารก็เป็นทิพย์ใช่ไหมที่อยู่ก็เป็นทิพย์ยกตัวอย่างเช่นว่า ที่บอกไปไหว้พระธาตุแล้ววิวิมานสูงเป็นตั้งสิบยอดยี่สิบยอดหรือหรือปราศาสตร์เวทชยันปราศาสตร์ของท้าวสาก่าเนี่ยโมสวยงามมากนั้นกลุ่มเหล่านี้คือติดในพบกันด้กันนนแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายพึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเออเราเราจะมีของว่างไของกินเล่นใช่ไหม อันนี้ก็ผิดหลักการอีกอันนี้ยกินเล่นแล้วของกินก็ต้องอร่อยอร่อยก็มัวเมาอาประดับเป็นยังไงจชแล้วก็ทําให้ร่างกายดีทําให้สุขภาพดีอะไรต่างเหล่าเนี้ยเนี่ยพวกบรรดาอาหารเสริมอาหารอะไรต่างๆตัวนี้ เ, นนาา เ, นเพื่อยั่งชีวิตเพื่อระงับความลําบากเพื่ออนุเคราะห์พระมรรจันทร์โดยคิดว่าการบริโภคอาหารนี้จับบาบัดเวทนาเก่าโดยหลักการคืออยู่ตรงไหน คือเวลาหิวขึ้นมาเนี่ยทุกเวทนามันเกิดขึ้นทีนี้การที่จะแก้ทุกจะบำบัดเวทนาเก่าด้วยการไม่ให้เวทนาเก่ามันกำเริบก็ต้องใช้อาหารเข้าไปหยอดมันเหมือนกับเกวียนเนี่เกวียนที่เดินทางไปไกลๆเนี่ยเวลาน้ำมันมันหมดแล้วมันจะดังมันจะสีกันเหล็กต่อเหล็กมันจะสีกันมันจะดังถ้าหากไม่มีน้ามันมาหยอดเลยเดี๋ยวเพามันขาด ถ้าในคิดอย่างนี้ว่าร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีอาหารใส e. ่เข <Individual gain. S 1> <well>. ้าไปเลยเนี่ยร่างกายก็อยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันไม่มันไม่สะดวกเลยใช่ไหมชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีอาหารใส่ลงไปแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยชีวิตจะเป็นไปด้วยความลําบากแต่อย่าไปใส่เกินนะใส่พอดีถ้าใส่เกินเป็นปัญหาเยอะก็ใส่พอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเวทนาเก่าก็ก็ดับไปไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นใช่ไหม ก็แปลว่ า, ากําจัดเวทนาเก่าเบีเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ทุกขเวทนาใหม่ก็จะไม่เกิดก็เพราะเราป้องกันไว้นะเราจัดดารงชีวิตยอยู่ได้ด้วยความไม่มีโทษและความเป็นอยู่โดยพาสุกก็จะเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อประพฤติพรหมจารย์เป็นต้นเหล่าเนี้ไอ้ตรงนี้ท่านก็ต้องมาไอ้ท่านก็พิจารณาท่านก็พิจารณาเอออาสวะเหล่าเนี้จะพึงละได้โดยการโดยการพิจารณาเนี่ย ท่านก็สอนบอกว่าเออการพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของที่อยูอ่อาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเหล่านี้ที่บอกว่าพิจารณาโดยแยกคายเศษอาหารบินนบาทไม่ใช่เพื่อจะเล่นนะไม่ใช่เพื่อมัวเมาเนะไม่ใช่เพื่อประดับเนะไม่ใช่ตกแต่งเนอเพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้เป็นไปเพื่อเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย์ ตรงนี้สำคัญมากที่บอกอนุข้อพรหมญาณเนี่ยเออถ้าเช่นถ้าปรารถนาจากบรรลุมรรคพรหมญาณบรรลุมรรคผลเนี่ยเ อ, อต้องมีอาหารเป็นตัวค่อยพยุงในการที่จะเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บูรยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ความเป็นายความไม่มีโทษความเป็นอยู่โดยสบายจากมีแก่เราดังนี้เป็นต้นอันนี้การพิจารณาเรื่องอาหาร ไอ้ตรงนี้ก็งั้นต่อไปก็คือว่าฝึกฝึกการตฤกการใช้ใชหมหนึ่งใช้เครื่องนุ่งห่มก็พิจารณาต่อไปก็สะดวกขึ้นใช่ไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นมันจะลํะลำบากเยอะเนะี่ยพระก็ลำบากปัจจุบันเนี่ยบางทีบางทีมีเครื่องนุ่งห่มเยอะอย่างเงี้ย ก, ก็ก็ไม่สละใช่แทนที่จะได้บุญก็เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บวะ แต่นี้โอ้โหเวลาจะไปไหนมาไหนทีก็จะยุ่งยากเรื่องยีวร น, นี่แหละเรื่องจีวรเพราะจะยุคสมัยนี้ยีวรค่อนข้างเยอะแต่ถ้าหากวาคนเขาฉลาดได้ยีวรมาก็รีบทําบุญทําบุญทำบุญออกนี่เขาได้บุญเขาตลอดใช่ไหมนี่ฆราวาสทำไงถ้าได้ไดเสื้อผ้ามาเยอะๆก็แจกบ่อยๆบางคนก็ทํากันอย่างนี้เนี่ยเขาบอกโอ้โหของโยมทื้อกันมาเยอะหมดเลยว่าเงินอาอทำไงแจกเยอะว่าไปแจกคนที่ายากจนคนที่กขาลาบากมีเยอะ ทำไมเอาของดีๆแจกเข้าไปเหลือไว้ไม่ต้องเยอะเราขนาดบางคนมึนไปหมดเลยไม่รู้จะใส่ชุดไหนเนี่ยแดงว่าเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมบางคนมีเป็นร้อยชุดนะไอเครื่องนุ่งห่มเนี่ยซึ่งเกินก็เหตุแล้วมันใส่ได้ทีละร้อยที่ไหนใส่ทีละตัวก็นด้นะใช่ไหมบางคนมีเป็นร้อยชุดนะี่นั่งคิดอยู่ในเวลาจะออกงานนี่ไม่รู้จะใส่ชุดดูมันก็ไม่ต่างเลยก็คนเดิมยังไม่ใส่ก็คนเดิ ม, ไ ม, ดมไม่ใส่เปลี่ยน ตังไหมยอมพิจตังไห้เพื่อต้องการให้คนชมโอ้เสื้อนี่สวยจังแล้วไม่ไม่โกรธบางหรือเขาสมเดชเชื่อเสื้ออยู่เลยชุดนี้สวยจังหาไม่ยากสิชุดสวยเสื้อสวยบอกถ้าพูดอีกโกรธนะว่าไงสาวทำไมที่ใสมาไม่สมเชื่อไปชมคนใสก็เป็นอย่างนี้ทำไงได้ชีวิตเราต้องการไอต้องการเครื่องต้องการจุดบํารุงทําให้ใจเราสดชื่นแล้วก็ว่าง อย่างยอมรับความจริงไม่ได้แต่เกิดคนบอกโอ้ย่าแต่งมากเลยแก่มากแล้วใครควรจะก็โกรธอีกนี่ก่อนบอกไปเทวดาหายใจไม่ถึงสองครั้งเราก็จะตายแล้วอะไรก็คิดอย่างมัวมัวมัวรุ่มหลงอยู่อะไรกับการการเร่องเสื้อผ้าถ้าอย่างนี้สงสัยหาพวกไม่ได้จริงๆเลยถ้าไปพูดๆนี่หรือไปกินอาหารก้อนนี้ปฏิสังขาโยนิโสปินตาปาังพิจารณาหรือยังบอกว่าเออ ลองลองไปท่องดูสิสมมติเธอไปกินอาหารพุ๊บต่อหน้าเพื่อนเดียวเดเพื่อนเะต้องบอกว่าบอกพิจารณาแล้วจะกิจจะทานฉันอาหารเนี่ยหรือทานอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อให้กายนี้เริมลงอยู่ได้เพื่อให้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แกการจะเจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อกำจัดเวทนาเก่าและไม่ทําให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความไม่มีโทษความเป็นอยู่โดยผ้าสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้แล้วท้องเนี้ยคนเอ๊ะบรรยากาศอาหารไม่อร่อยเลยวันนี้พวกเลยคือไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับเนี่ยเออไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งอย่างยากตัวอย่างเช่นว่าบางคนเป็นนักเลงเป็นมวยปั้มเี้ยหรือคนบางคนต้องการให้สุขภาพดีแข็งแรงเป็นต้นเหล่านี้ ไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าตกแต่งเหมือนกับพวกเอประดับตกแต่งเหมือนคนที่ต้องเวลาทานอาหารเนี่ยนะว่าอาหารเพศนี้ทานเข้าไปผิวจะดีนะอะไรนี้ให้สังเกต ด, ดูนะว่าลองมาพิจารณาตามความเป็นจริงดูคนที่พยายามกินอาหารดีที่สุดเนี่ยนะเพื่อจะรักษาผิวทําให้ไม่แก่ไม่อะไรต่างๆ่างวังงนนี้ลองไปดูทีพออายุหกสิบเจดสิบเข้าไปเอาให้แปดสิบมัไม่ไม่เหลือแล้ว ถึงจะไปทํายังไงก็ไม่ดีดลาวยังไงมันก็ไม่ดีเพราะสภาพมันเป็นอย่างนั้นหนักเข้าหนักเข้าถ้าไปบางคนเอายาช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าห้องบาดตัดก็เลยรกโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้ทีนี้พอบางคนเขาบอกว่ามีโยมคนมาเล่าอีกบางก็บอกโหลําบากมากคือคือบางทีบางบางส่วนดึงได้แต่บางส่วนดึงไม่ได้ใช่ไหมที่ให้ตึงเนี่ย พอไปตึงข้างบนตึงข้างล่างย่นตามมือตามไรเหี่ยวย่นหมดเลยเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นประหลาดเพราะแก่ตัวไปยิ่งดูลําบากไปเลยตัี๋วนี้เลยเลยแปลกไปเลยมียอมอยู่คนหนึ่งก็ไปเสริมไอ้จมูกเนี่ยเสริมไปเสริมหมาท่าไหนรู้จมูกหายไปเลยเลยเน่าไปเลยตัวนี้ไปใหญ่นี่นี่เป็นโทษที่จริงก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องของ อาหารเนี่ยประการต่อมาก็คือที่อยู่อาศัยก็ตั้งที่ได้บอกไว้นี่พิจารณาโดยแยบคายแล้วเสพเสนาสนะกําจัดความหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์รุ้ยคานแล้วก็เพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยแล้วก็รื่นลมในการหลีกเล่นในการพิจารณา อันนั้นก็คือพิจารณาที่อยู่อาศัยและเพื่อเพื่อยินดีในการหลีกเล่นถ้าถ้าเป็นพระนี่นะเวลาที่อยู่อาศัยเขาจะเน้นการหลีกเล่นการเจริญโพน์นะเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นด้วยให้สังเกตดูถ้าหากว่าพรนนี่นะท่านจะเน้นสถานที่ที่เหมาะที่อยู่อาศัยที่เหมาะ ถ้าสถานที่ใดเมื่อไปอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเจริญศีนสมาธิปัญญาเป็นต้นได้ที่ตรงนั้นก็เป็นสปายากักกับเขาคำว่าพิจารณาแยกคายนี่เป็นชื่อของโยนิโสมนสิการเนี่ยสําคัญมากตรเนี้คือโยนิโสโอโยนิโสในการพิจารณาสถานที่ทีนี้เมื่อได้ที่อยู่มาแล้วให้สังเกตดูนะที่บางที่เนี่ยเวลาเราเอาเอาว่าบ้านเนี่ยเวลาเราไปอยู่ บ้านบางแห่งบางที่แล้วเมื่อไปอยู่แล้วนี่นะพอไปอยู่บางแห่งบางที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้บุญกับได้บาปนั้นท่านถึงบอกว่าการพิจารณาโดยแยบคายที่สำคัญมากเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่แก่กุศลใช่ไหมสถานที่บางอย่างมาพิจารณาแล้วได้ได้เลย ได้ศรัทธาได้ศีลได้สุตตะได้จารค้าได้ปัญญาเป็นต้ น, นสถานที่เหล่านั้นเน่ยเป็นสปายาโดยหลักการคือตรงนี้ประการต่อมาก็คือพิจารณาโดยแยกขายแล้วเนี่ยบริโภคยารักษาโรคเพื่อบำบัดเวทนาเนื่องมาจากอาพาธต่างๆอันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มีความเจ็บไข้เป็นประการสําคัญอันนี้เรียกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการส่องเศษนี่นะอาสวะที่พึงละได้ด้วยการส่องเศษ ทีนี้ปุตุชนน่นะในมหาธรรมมาสมาทานสูตรมีข้อความทำนองเดียวกันบอกปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ทาที่ควรเสพและไม่ควรเสพหรือควรครบและไม่ควรครบเมื่อไม่รู้จักทาที่ควรเสพและไม่ควรเสพหรือทาที่ควรครบหรือไม่ควรครบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเจริญสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเสื่อมไป เพราะเป็นการกระทําของผู Pop ้ไม่รู Then, <from that> <diminished> ้ส่วนพระอริยะสาวกผู้ได้สดับเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้พระอริยสาวกผู้ได้สยับย่อมรู้ธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพและควรคบและไม่ควรคบเมื่อรู้ธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพธรรมที่ควรคบและไม่ควรคบเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเจริญสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็เสื่อมปัญหาคือว่า ในใจความของมหาธรรมสมาทานสูตรที่เชื่อมโยงกับสูตรนี้ก็คือว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้ามเมื่อไม่รู้คำสอนของพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักว่าจะเสพใช้สอยจีวรยังไงที่จะเป็นปัจจัยแก่การทําให้สีลใช่อาวิปัสสารปราโมทย์ปีติปสัสสธิสุขสมาธิยถาภูตยานทัศนะ นิพทาวิราฆาวิมุตติเป็นต้นเกิดขึ้นยถ้าหากว่าเสพจีวรที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยในการแทงตลอดสจัจนะเนะและเสนาสนะที่อยู่เอ่ออาหารการบริโภคก็เหมือนกันถ้ารู้จักควรเสพแล้วเนี่ยกุศลธรรมก็จะเจริญอกุศลธรรมก็จะเสื่อมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคกันในยะเดียวกันเห็นไหมว่าการมีโยนิโมสมรสการในการพิจารณาธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพธรรมที่ควครคบและไม่ควครคบ เมื่อมีโยนิสโสมมาดนินการพิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็สิ่งที่ไม่น่าปรารถนากับสิ่งที่น่าปรารถนายกตัวอย่างเช่นกุศลเลยนะมีศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าปร า, า, ารถนาส่วนการทุศีลการไม่มีสมาธิการไม่มีปัญญาเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาถ้าไม่พิจารณาการเสพ การส่องเสพการใช้สอยการบริโภคทั้งจีวร อ, อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าไม่มีโยนิโสโมรสการในการพิจารณาเสพจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกเนี่ยมันอยู่ตรงไห น, นอยู่ตรงการมีโยนิโศมรสการการพิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ไหถ้าหากไม่มีโยนิโสในการใช้สอยปัจจัยสี่มีเครื่องนุ่งหม่ม แล้วก็อาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแค่แค่สี่ประการเนี่ยนะเขาเรียกปัจจัยสี่เนี่ยนั้นสัตว์โลกทั้งหลายที่จะตกนรกก็ตกนรกเพราะปัจจัยสี่ก็เยอะขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นสวรรค์เพราะปัจจัยสี่ก็เยอะให้สังเกตด้วยนะว่ า, วาจีวรหรือเครื่องนึ่งหม่มคนพิจารณาเป็นคนก็ได้บุญเช่นสามารถหาสิ่งที่เกี่ยวเครื่องนุ่งหม่มเห็นไหมให้ทานเป็นต้นได้ตลอดอาหารเห็นไหมอาหาร การกินต่างๆเนี่ยคนบางคนก็สามารถเจียดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทําให้เกิดบุญเกิดกุศลกับเขาได้ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันบุคคลก็สร้างที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆก็ช่วยเหลือหรือว่าทอนโนบำบุงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลยารักษาเราสรุปแล้วปัจจัยสี่ใช่ไหมทั้นพูดตามในาย่าของของของพระวินัยก็คือปัจจัยสี่พูดตามในาย่าของพระสูตรนะเออของของพระสูตรก็คือว่า ให้ข้าวให้น้ําให้เครื่องนุ่งห่มให้ประทิบคองไยเป็นต้นเหล่านี้สิบอย่างนั่นเองถ้าตามในยะของพิธรปปรมก็คือรูปประธานังสัทธานางกันธาทานัางราษาทานนางโูต่พาทานนางธรรมารานงใช่ไหมใช่คือรูปเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ทรมคือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารแล้วก็เป็นต้นเหล่านี้เนะี่ สรุปแล้วก็คือว่าบางคนก็ปารลบในรูปบางคนก็ปารลบเสียงปารลกลิ่นปารลรสเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นทั้งบอกว่าท่านทิ้งสอนตรงนี้บอกว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วเนี่ยถ้าเป็นปุโุชนผู้ไม่ได้สดับก็เป็นโทษแต่ถ้าหากเป็นผ้าอริยะที่เขาได้สดับแล้วนี่เขาไม่เป็นโทษกับเขาเลยเขาใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นประการต่อมาก็คือว่า ประการที่สอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอดกลัน้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลัน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายและเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหายสัมผัสแห่งเหลือบจุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้มีชาติของผู้อดทนอดกลัน้นต่อถ้อยคําที่ผู้อื่น กล่าวชั่วร้ายแรงนี่อดทนต่อการด่าเนี่ยเสียงด่าเนี่ยยากไหมอดทนต่อเสียงด่าเสียงด่ากับเสียงชมเนี่ยไหนหน้าอดทนมาได้ยากกว่ากันท่านกล่าวว่าเสียงชมเนี่ยอดทนได้ยากกว่าเสียงด่าแต่เราชอบเสียงชมมากกว่าเสียงด่าใช่ไหมเสียงเสียงชมเนี่ยก็ทําให้จิตวัยใจวันไหวเสียงด่าก็ทําให้ใจวันไหว แต่เราชอบวันไหวแบบให้มีคนชม <c oughs> ถ้ามีเสียงชมเราชอบเราจะเข้าบ้านมีคนเขียนข้อความต้อนรับขอให้มีอายุยืนขอต้อนรับ เ, เขียนชื่อเราใส่เข้าไปวันนั้นเราจะปลื้มใจเลยใช่ไหมแต่ในย้าวต้องเงินข้าวมีเสียงด่าคอยล้มหายใจจากสิบวัาเจ็ดวันสิบวัน <c oughs> เราจะทํำไง จิตใจเป็นไงตอนนั้นโอ้โหทำกันขนาดนี้จอดรถเลยนะจอดรถ ด, ดูด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสนันะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จอดรถรีบเอาลงรีบให้คนเปเอาลงนั อ, อย่างจอบอกเสียงเสียงก่าวชั่วร้ายแรงต่อเวทนาที่มีในตัวซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นทุกข์หนาแล้วก็แข็งกล้าไม่เป็นที่น่ายินดีไม่เป็นที่น่าชอบใจอาจผาชีวิตเสียได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเปร่าร้อนจะทําความคับแค้นเหล่าใดพึงมังเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่อดกลั้นอยู่อาสวะมีกามาสวะพระวาสวะทิฏฐาสาวะอวิชาสาวะและความเร่าร้อนจะทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้อดกลั้นอยู่อย่างนี้เออถ้าคนอดกลั้นได้เนี่ยอย่างที่บอกนะคําว่าอดกลั้นในที่นั้น ใ, นใจต้องเป็นไปกับเมตตาไม่ใช่อดกลัน้นนิทียะตี อดการแบบประเภทที่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราอย่างเงี้ยไม่ใช่ละพี่บอกว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของเราสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราีโอ้ยอย่างเงี้ยเป็นความอดทนแต่ไม่ใช่อดทนด้วยไดยเมตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราจะถาโทษกาว่าจะละได้ด้วยความอดกลัน้นตรงนี้ก็ไปไปพิจารณาว่าอดทนในการอดกลั้นเนี่ยมาจา่คําว่าปฏิสังขาโยนิโส ขโมโหติสีตะสะภิกษตพิจารณาโดยถูกทางแล้วย่อมเป็นผู้ทนต่อความหนาวคืออดทนต่อความอดกลั้นต่อความหนาวจะสั่นสะท้านเพราะความหนาวแม้เพียงเล็กน้อยเหมือนบุรุษผู้ไม่มีความกล้าหาญหาไม่ท่านไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานนั่นนี่คำว่าอดทนต่อความเวลาเกิดอากาศที่มันหนาวขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าตอนนั้นไม่ทิ้งกรรมฐาน ไม่ทิ้งกรรมฐานก็คือไม่ทิ้งไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ทิ้งคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ทิ้งคําสอนของพระพเจ้าชื่อว่าตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ใกล้และเราก็อยู่ใกล้พระพุทธองค์อีกอย่างหนึ่งก็คือถูกความหนาวจัดเนี่ยสัมผัสแล้วก็ไม่สะท้านย่อมใส่ใจเฉพาะกรรมฐานท่านก็ยกตัวอย่างพระเทพรูปหนึ่งพระโสง พระโสมสนาคะโสมสนาคะเทระพระโออระโมมาสนะพระโรมมาสาสนาคะเทระพระเทระอยู่ในเรือนบําเพ็ญกรรมฐานหมายของว่าบําเพ็ญอยู่ในถ้ะที่เจติยาบันโพธพิจาราโ ล, โลกันตนรกที่ตั้งอยู่ในระหว่างในสมัยหิมะตกก็ไม่ยอมลาทิ้งกรรมฐาน คือเวลาเกิดความหนาวขึ้นมาท่านก็บอกโอ้ยหนาวแบบนี้ยังน้อยกว่าในโลกันติการนรกท่านพิจารณาอย่างนี้หนึ่งเพราะในนรกอันเนี้ยหนาวมากคือถ้าสมมุติว่าเรากลัวตัวความหนาวตรงนี้ใช่ไหมเมื่อความหนาวตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อความหนาวที่เกิดขึ้นเพียงน้อยนิดเพียงแค่เนี้ยแล้วเรายังทนไม่ได้และเวลาทิ้งกรรมฐานเนี่ย แต่ว่าสัตว์นรกทั้งหลายที่อยู่ในโล ก, กันดีกานรกเนี่ยเขาพากันหนาวดินกวนกวายกันมากเพราะว่ามืดด้วยหนาวด้วยหนาวด้วยแล้วต้องอยู่อย่างนั้นเน่ะเป็นเป็นเป็นกรอบๆอย่าไปตกใครไปนคนขี้หนาวเลยชอบอากาศหนาวๆบางคนชอบไปกันย่างเมืองที่มีหิมะเยอะๆไปแต่อย่าลืมนะที่จริงไม่น่าไปเที่ยวนะ ในทัศนะของอาญานที่ว่าไปเพื่อจะไปเที่ยวไปชมความหนาวความเย็นอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่น่าไปเที่ยวเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าเราเคยไปนรกที่หนาวจะจัดมาแล้วใช่ไหมในสังสารวัตรที่ผ่านมาจะเพียงเราระลึกไม่ได้คือหนาวแล้วตายไม่ได้อ่ะแต่ให้หนาวทรมานอย่างเดียวมันจะปวดในอาการอยู่ในในรกลักษณะแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะจะตายได้ก็ต่อเมื่อสิ้นกรรมเนี่ย ถ้ายังไม่สิ้นกรรมก็ตายไม่ได้ลองคิดดูที่ว่าเราเราเคยไปเที่ยวแบบนี้มาแล้วไอ้ที่หนาวจะจัดแบบประเภทลบหลายๆองศาก็ถามว่าไม่อยากไปผมก็บอกอไปมาเยอะแล้วในสังสารวัตนี้ใช่ไหมเคยทำกรรมตัวนี้มาเยอะแล้วพลิกสู่รูปนี้พระเถระในท่านก็พิจารณากลัวทำไมความหนาวแค่นี้ ถ้าเราละทิ้งกรรมฐานเราไปทําบาปรกรรมมีกายยะทุจริตเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราจะไปญาติเยียดอยู่ในโลการติการนรกเราจะหนาวสตุกษทานยิ่งกว่านี้นับฉะนั้นอย่าสตุกษฐานกับความหนาวไม่เพียงแค่นี้เลยท่านก็พิจารณาแบบนี้เนี่ยถ้าย่างยุคปัจจุบันนี้ถ้ารหนาวก็ลุกขึ้นก่อไฟใช่ไหมก็อย่างนี้ก็ก็ว่ากันไปแต่นี้ท่านพิจารณาอย่างนี้ก็แปลว่าท่านไม่ไม่ทิ้งกรรมฐานไม่ คือมให้เวลาผ่านไปในการแจ้งแม้ในเรื่องดูร้อนเป็นต้นก็พิจารณารักษะแบบเนี้ยในขณะที่ร้อนก็คือท่านก็พิจารณาในอเวจีใช่ไหมเพื่อความร้อนที่เราเจอเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาอย่างนี้ไปจริงๆเอาไปทํางานก็ได้ไประโยชน์นะสำหรับไปทํางานพวกบางคนท้อก็ร้อนแล้วร้อนแล้วหยุดพักเลยแล้วบอกเฮ้ยในอเวจร้อนกว่า น, นี้ก็ <c oughs> ไปสอนอย่างนี้คุณโยมกันเนยไปสอนลูกน้องได้เลยบอก แต่ลูกน้องจะจะหยุดก็บอกว่าอุ้ยในเวจีร้อนกว่า น, นี้อย่าไปหยุดอันนี้ยังนิดหน่อยในเวจีร้อนลำแสงเป็นท่อไฟพ่นเข้ามามันยังมันยังทนกันได้สัตว์นรกว่าร <c oughs> ้อนแค่นี้ไม่ต้องไปกลัวทําต่อไปก็ก็ได้งานเยอะขึ้นได้งานเพิ่มขึ้น แต่จริงถ้าตำ ถ, ถ้าพระท่านก็พิจารณาเหมือนกันเดี๋ยวท่านท่านไม่ทิ้งกรรมฐานภิกษุใดอบกลอดกัน้นร้อนแม้มีประมาณยิ่งได้อย่างเดียวภิกษุนั้นบัญญิติทราวุนผู้มีความอดทนต่อความร้อนได้เหมือนพระเทระดังที่ได้กล่าวเออในเวลาหลังพัดในฤดูขมหันฤดูร้อนเนี่ยพระเทระก็นั่งอยู่ภายนอกที่จงกรมเมื่อท่านใส่ใจถึงกรรมฐานเหงื่อก็ไหลออกจากรักแล้วที่นั้นเนี่ะ อันเตวาสิกกเหรียญท่านบอกว่าท่านผู้เจริญนี่มวลท่านนั่งในที่นี้เถิดโอกาสนี้เย็นสบายก็หมายความว่าเออพระท่านไปนั่งที่แดดที่อะไรบอกว่าเออนี่มวลท่านเข้ามานั่งตรงนี้เป็นเป็นในร่มอากาศเย็นสบายท่านอย่าไปนั่งตรงนั้นเลยใช่ไหมนี่ท่านกาลังใส่ใจกรรมาฐานท่านอยู่พระเถรซากล่าวว่าเราจะไม่นั่งในที่นั้นหรอกเพราะกลัวความร้อนเพราะพวกมีอายุยานี้แล้วก็นั่งพิจารณาอะไรอเวจีมหานรก ท่านบอกเออถ้าหาไปนั่งตรงนั้นใช่ไหมกิเลสมันเกิดตนวเองก็ลกักิเลสไม่ได้มันจะร้อนยิ่งกว่าอในอนาคตเนี่ยถ้าตัวเองท่านก็เลยเอาเ อ, า เ, อาเวจีหมหานรกมาพิจรารณาซะเลยดันพิจรารณาโอ้เอเวจีเนี่ร้อนกว่านี้เยอะใช่ไหมแค่เหงื่อไหลออกมาท่วมตามตัวดํามกายเงี้ยไม่เห็นต้องไปกลัวอะไรเลยท่านก็พิจรารณาท่านเห็นไหมว่าเวาพิจารณาอย่างนี้ก็ก็เปาะไป ท่านก็เกิดกรรมฐานแล้วก <have> uh, ็ไม่ทิ้งกรรมฐานเออแปลกอยู่อย่างนะนรกเนี่ยเอามาพิจารณาเป็นกรรมฐานได้เอ้าถ้าเอานรกมาพิจารณาเป็นกรรมฐานท่นคิดยังไงท่านคิดถึงพบไงเหมือนไฟไหมใช่ไหมคิดพิจารณาเอานรกทุกพบทุกภูมิมาพิจารณาด้วยความเป็นทุกข์สัตย์เห็นไหมว่ากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่จะต้องเกี่ยวกับพิจารณาตัวเองมาพิจารณาเท่านั้นนะแต่พบภูมิด่างๆเนี่ยเช่นเอาอบัยศาสตร์มาคิดเราเห็น สัตว์ในใบยภูมิทั้งหลายเนี่ยเราเห็นในสัตว์ในใบพภูมิบางบางย่อมพวกดูเหมือนสบายใช่ไหมแต่บางพวกดีเขาทรมานมากอย่างเช่นอยู่ในน้ําอยู่ในอะไรกำลังถูกล่าถูกไล่เต็ไป ต, ๆๆต้องหนีหอกหนีดาบหนีปืนหนี้ยาพิษสารพัดลองคิดดูหนีอวนหนีแหนเนี่ยนะหรือบางทีกําลังติดเบ็ดอยู่ก็มีอะไรต่างๆอะไรนี้่พี่เจรณาดูทีนดิอันนี้แค่ในในบยภูมิเนี่ยในในมนุษย์สภูมินี่นะ ที่เกี่ยวข้องกับที่เห็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเนี่ยตอนนี้ในทะเลทั้งหลายลลพวกเรือพวกวนพวกอะไรต่างๆเข้าไปลากเข้าไปยกขึ้นมาจากน้กําก็ดิ้นชักดิ้นงอตายกันใช่ไหมที่กําลังโดนทุบหัวก็มีกําลังโดนเข้าโรงงานอัดแน่นเข้าไปในโรงงานเป็นอาหารอะยะแยะหมดหรือถ้าไปดูพวกอะไรในโรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมร้องเสียงให้สนัน่นหวั่นไหวไปหมดทั้งวัวทั้งควายทั้งหมูทั้งเป็ดไก่ อัน น, นี้นี่ใช่ไหมที่เป็นความสุขของมนุษย์ที่ที่นีไ่ไหมเป็นคามพิจรารณาอยงนี้ถ้าเราบอกเออถ้าเราไม่รีบเจริญกุศลเสียเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบเนี้เขาถูกให้เขาอตาัดคอเล่นเงนี้น้องนั่งรถแลบลงรถไปตามถนนอย่า ง, ง, ง, ง, งไงทีอ้าวเดี๋ยววิ่งผ่านมาแล้วหมูเต็มคันรถเ ข, า, ขาไม่ไม่ใช่เขาจะไปเลี้ยงให้มันอยู่สบายอะไรนั่เนี่ยบางทีก็วัวเต็มคันรถอย่างเงี้ยเนี่ยไก่ เต็มกันรถนกมังอะไรบ้างเราคิดอะไรว่าพอเห็นอย่างาา น, บบนี้ถ้าพระท่านก็จะคิดถึงคิดครว่าโอ้ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ไอสภาพสภาพไม่รูเบทนาสนาัญญาตังขานวิญญาณขันห้านี้ก็ไม่รู้จะแตกดับเมื่อไหร่แล้วกิเลสก็ยังละไม่ได้ไม่กิเลสยังล้ะไม่ได้เนี่ยโอ้โหอบายภูมิถ้าไปตรงนั้นขึ้นมาเราอาสมมุติถ้าเราไปเกิดเป็น จัดแต่ละชานไปเกิดเป็นปลาใช่ไหมเขาปลาตัวนี้สวยงามแล้วเกิดเลี้ยงเข้าไว้ไม่กินโอกาสอย่างนี้น้อยมากใช่ไหมเดี๋ยวไปเกิดเป็นไก่เนี่ยไปเกิดเป็นเป็ดเป็นต้นเหล่าเนี้ยแต่ก็มีมันกัน น, นันน้นนะจะมีออกข่าวทีใช่ไหมที่เขาจะเลี้ยงเขาไว้เนี่ยมีอะไรพิเศษพิเศษหน่อยถามว่าถ้าเรากลายเป็นนักประวัติร์เนี่ยเราจะคิดว่าเราจะมีอะไรพิเศษไปโชว์เอาตัวรอดได้ไหมยากใช่ไหม ขนาดวัวควายต่างๆบางตัวต้องร้องไห้ร้องไห้เเขาก็สงสารบางทีก็มีเหมือนกันเนี่ยร้องไห้สุนารบางตัวอะไรต่างๆอะไาเนี่ยก<อ>็ก็เอาตัวรอดไดไ้ไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งแต่ก็ในส่วนจริงก็ไม่รอดอยริงวะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภิกษุใดเมื่อไม่ได้พัดคือน้ําดื่มเพียงสอง สามมือแล้วพิจารณาเกิดขึ้นของเปรตวิสัยในสองสารวัตถาที่สุดเบื้องต้นก็คือว่าบอกว่าก็ไม่ลาทิ้งกรรมฐานเนี่ยก็ไปพิจารณาบอกว่าเออเปรตพกเปรตเขาหิวกว่าเราเยอะบางแห่งบางที่เนี่ยหาน้ำไม่ได้ไิบินณบาตไม่มีไม่มีน้ำหรือว่าตามท้องที่ต่างๆสมัยโบราณอยู่ตามป่าเนี่ยหาน้าไม่ได้ท่านก็ทน อดทนไม่ให้โทสะไม่ให้ราคะไม่ให้กิลเลสเกิดขึ้นโอ้โหถ้าหากอยู่กันอย่างพระโบราณนี่ถ้าจะลําบากยังไง น, นะน่าจะลําบากมากนะึ่งในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราหิวน้นํานี่เราไม่เคยทนได้ถึงชั่วโมงเลยใช่ไหมก็ต้องรีบไปหาน้ํามาดื่มกันหนะึ่ได้มากยังไม่ค่อยทนกันหรอหิวน้ําแล้วหิวน้ําแล้วหาน้ําไม่ละทิ้งกรรมฐานถูกสัมผสัสแห่งเหลือบแดด แม้มีประมาณยิ่งถูกต้องก็พิจารณาก็พิจารณาเข้าถึงกําเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่หวั่นไหวก็ไม่ละทิ้งกรรมาฐานเลยและแม้ถูกสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคานถูกต้องก็พิจารณาถึงอัตภาพในการก่อนซึ่งกึ่งเปลือกอยู่หลายวาระที่ป่ากของราชสีละเสือเป็นต้นก็บอกว่าเออเนี่ยอาจจะถูกมแมลงสัตว์กัดอะไรต่างๆเหล่านี่นะมามากัดมาอะไรต่างๆนี่ก็ก็ไม่ ก็ไม่สะทกสะทานถ้ามียาใส่ก็ใส่ ย, ยาดูแลตามอัตภาพถ้าไม่มีจริงๆนั่นไงพิจรารณาอุ้ยในการกอดเนี่ยเราเคยถูกเสือกัดกินเคยถูกราชสีกัดเคยเล็งต่างๆไว้เยอะแยะหมดก็พิจารณาอย่างนี้เนียในสังสารวัฏที่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่รู้ก็ไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานท่านกขยกตัวอย่างว่าพระหลายๆองค์ ก็เป็นผู้อดทนต่อความหิวอดทนต่อสัมผัสได้ยินว่ามีงูพิษอยู่ตัวหนึ่งบอกว่ากาดพระเถระผู้กําลังฟังอริยวัง ส, สูตรในเรือนก็ทําความเพียรเพื่อชื่อว่ากันนิกาในมหาชื่อว่ากันนิกพระเถระไม่รู้ว่าแล้วก็มีจิตเลื่อมใสนั่งฟังธรรมตลอดกําลังพิษที่แรง กำลังพิษเนี่ยได้แรงกล้าขึ้นตามลำดับพระเทระได้พิจนารณาถึงศีลเริ่มต้นตั้งแต่อุปสมบทมาแล้วก็เกิดปีติเออเรามีศีลบริสุทธ์นะพร้อมกับการบังเกิดขึ้นแห่งปีติพิษก็แล่นกลับเข้าไปสู่แผ่นดินโอ้โหนี่คือคือคนที่จะใช้จิตตชลูปในการขับพิษออกมาได้เนี่ยคือนั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยงูกัดเมือ น, นั่งอยู่งี้งูกัดจะทำไงฟังธรรมต่อไหมฟังไหม ไม่ต้องโงูหรอกแค่มดกัดตัวเดียวอยู่ได้หนี่งโง่กัดบุ๊บนี้ท่านก็ท่านก็พิจารณาท่านไม่ไม่หยุดไงแต่ท่านก็พิจารณาถึงตอนนั้นพิจก็เริ่มจ้านก็นมาจะถึงหัวใจในสมองนั่นท่านพิจารณาศีลของท่านตั้งแต่บวชพอพิจารณาศีลบุ๊บท่านก็ไม่เดือดร้อนตายเป็นตายเงไ้พอไม่เดือดร้อนใจปลาโมดเกิดปีติสมาธิพอปีติเกิดเนี่ยไอ้ตัวปีติเนี่ยเป็นจิตตชื้อโรคนนึง พอจิตใจโสมนัส ด, ด้วยเป็นปีติด้วยเป็นความสุขด้วยขับพิษพิษไหลลงแผ่นดินไปเลยไหลออกจากปากแผ้ตัวพิษเนี่ยกลับกลับไม่วิ่งย้อนเข้าหัวใจเนี่ยกลับถูกขับออกถามว่าเป็นไปได้ไ้ยเป็นไปได้สมาธิท่านดีแต่ถ้าอย่างเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยขับไม่ออกใจจะเสียเลยมากเวลาโดนกัดโดนลายในใจเสียหมดเลยนเค้าในเขาน้เขาก็ เยียบลอนชักกระตุกกระตุกไปเลยตัวนี้คือพระเถระใช้ได้เอกคตาจิตในขณะนั้นเองก็เจริญวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยเห็นไหมบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนี้เห็นไหมการการที่บอกว่าการการอดกลั้นเนี่ยได้ประโยชน์คือการได้ไ ด, ไ, ดได้บรรลุหลายหลายท่านนะที่โดนทุบโดนตีโดนแทงอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยล้วนได้บรรลุ ก, กันเยอะแยะในสมัยคำพูดตัวการแต่ที่ว่าตกนรกก็เยอะเนี่ ภิกษุใดฟังคำพูดหยาบคำพูดอันส่อละคดด้วยอันติมวัตถุก็คือคำพูดที่หยาบมากเป็นอูดเป็นลาเป็นโคออกวากันไปซึ่งมาจากที่ไกลเพราะเป็นคำพูดที่หยาบแล้วพิจารณาถึงคุณของขันติไม่หวั่นไหวต่ออำนาจถึงการดา่าเหมือนพระทีฆาพานกะอภัยเทระคือเป็นผู้อดทนต่อคำหยาบซึ่งมาแต่ไกลๆได้คือพระเทระเนี่ย ท่านกล่าวอริยะวงางสาปฏิบัติธรข้อปฏิบัติของพระอริยะนี่เน่ยเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการเจริญสันโดษด้วยปัจจัยเป็นต้นชาวบ้านทั้งหมดพากันมาหาเมรณนมาสการก็เกิดมีแกี่ยบไอลาสกาลาก็มีแก่บพระเทะระเพราะเทระบางรูปอดกลอดท่านต่อสการานั้นไม่ได้ก็ด่าด่าพระบอกว่าวุ่นวายบอก้ความวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดคืนด้วยการ กล่าวว่าเราจะกล่าวอริยวงพระเทละาสองรูปเวลาเดินทางก็กลับไปสู่วิหารของตนก็เลินร่วมทางไปสิ้นหนทางประมาณหนึ่งคาวุธพระเทล่ก็ด่าด่าพระเท ล, ล่รูปนี้แม้ทุกๆคือพอเดินไปได้สักประมาณร้อยเส้นประมาณนี้เ น, นีก็ด่าคันแล้วพระทีฆาพานกะเทล่ยืนอยู่ในทีหนทางของวิหารทั้งสองแยกกัน ไหวพระเถระนั่นแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี่เป็นทางของท่านดังนี้พระเถระเดินจากไปทําเหมือนไม่ได้ยินป่ายพระธีฆะพานกะเถระก็ไปถึงวิหารล้างเท้าแล้วก็นั่งลงอันเตวสิกก็กล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญอะไรกันทําไมท่านจึงไม่กล่าวอะไรอะไรกับพระเถระซึ่งด่าบริพาท่านทุกๆุกาวุฒพระเถระก็ตอบคื อ, อบอกว่าคือมากับลูกศิษย์คือพระองค์เนี้ยถูกเขาด่าเยอะเพราะว่า ลาบสการะเกิดแก่ท่านใ่ไหท่านประพฤติความอดทนพาเข้พากันสมไมก่อนก็มีพระรักในอย่างนี้คือก็คือไม่พอใจเดินไปก็ด่าท่านไปเรื่อยด่าไปเรื่อยท่านก็ไม่ตอบท่านก็เฉยเนี่ยนุนคือใจของท่านก็ไม่ไม่ขุนมูลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ก็โกรธแทนแต่ก็เอ๊ะขนาดอาจารย์ยังไม่ไม่ว่าแล้วเราจะไปว่ายังไงก็เกรงใจพอมาถึงที่ก็ถามว่าเออทาไมไม่โต้ตอบ ทั้งๆ ท, ที่ท่านเหล่านั้นด่าหรือว่าไม่ใช่เรื่องจริงถ่าสมมตินี่นะพวกเราสี่คนเนี้แล้วมีคนเหมาืด่าใครสักคนแล้วไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมมาด่าแล้วไม่ใช่เรื่องจริงแล้วคนหนึ่งก็ทนไว้ได้อีกคนที่ไปด้วยไม่ทนใช่ไหมแต่ก็เกลีใจเงี้ยลักษณะการท่านนองเงี้ยอะไรการทําไมท่านไม่กล่าวกับว่าเทระนั้นด่าบริภาทท่านทุกๆคำวุฒิเถระเะต่าอาวุโส ความอดทนเป็นหน้าที่ของเราท่านคิดท่านอย่างนี้นะความอดทนเป็นหน้าที่ของเราความไม่อดทนหาใช่เป็นหน้าที่ของเราไม่เราเองไม่เคยเห็นการพลากจากกรรมฐานของเราแม้ในการยกเท้าขึ้นก็ไม่ในที่ควรญทราบว่าถ้อยคานั้นแหละื่อว่าถูกต้องตามธรรมนองของธรรมก็หมายความว่าเอ้ความอดทนเป็นหน้าที่ของเราความไม่อดทนไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยเนีย บอกเราเองเนีไม่เคยเห็นการพลากในการประทานไม่การยกเทา้าฉะนั้นใครจะด่าก็ด่าใช่ไหมในขณะที่ยกเท้าขึ้นท่านก็กําหนดอียาบทบอขอกท่านในการพิจารณาไปงั้นเสียงด่าก็คือเสียงด่าท่านไม่ได้เอามาเป็นอา ร, รมณปัจจัยเป็นประธานเลยแต่ประธานในขณะนั้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ของท่านในขณนะนั้นคือท่านมนุิการมีโยนิโสมนสิการในการพิจารณากรรมฐานของท่านท่านก็เลยตอบกับลูกศิษย์ท่านไปบอกว่าไม่ใช่ คือเสียงด่าเสียงชมมันมันมันไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่เราจะควรเอามาพิจารณาแต่กรรมฐานที่กลาสใส่ใจอยู่มันสาคัญกว่าอารมณ์คือเสียงด่าใช่ไหมหรือเสียงชมนี่ปัญหาคือบอกว่าท่านเหล่านี้ท่านมีที่พึ่งอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่าในชีวิตของเราจริงจริงเนี่ยเรามีกรรมฐานเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดหรือเปล่าใช่ สมมติว่าโอ้โเราจะไปทําอะไรมันเป็นเรื่องรองหมดเลยแต่กรรมฐานเป็นเรื่องใหญ่ในใจของเราไปที่ไหนเราก็มีกรรมฐานเยกตัวอย่างเราจะอาจจะเจริญเมตตาหรือเจริญกรุณาเจริญมุทิตาหรือเจริญอานาปนาณาหรือเจริญกรรมฐานอะไรที่เรากําลังใส่ใจอยู่ที่เราชํนานาญหรือเจริญพุทธคุณธรรมกุลสังกัคุณเนี่ยกรรมฐานตรงนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราอยู่เสียงด่ามันจะเล็กน้อยเลที่บุคคลเหล่านี้ที่จะทําได้อย่างนี้แปลว่า เขาฝึกมาดีไหมเขาฝึกมาค่อนข้างดีฝึกมาจนชํานาญแล้วอย่างอย่างชีวิตของเราท่านทั้งหลายถามว่าเวลาออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยเราเรามีความสําคัญหมายไหมบอกว่าเออเราเอา ก, กรรมาฐานไปด้วยเนะวันนี้ไ อ, อตรงนี้เราขาดนะโดยมากใช่ไหมเราจะขาดโดยมากเราจะไม่มีมความรู้สึกเออเดี๋ยวเรานี่ไปกับใครบ้างไหนเด้๋ยวมากเรจะถามมาคนเดียวหรือหมอมาเรากรรมาฐานตรงนี้ ลองมรดสการใหม่ดิอุ้ยใหม่ๆอ่นี้เราอย่างนี้ดีกว่าจะไปไหนเราให้ความสําคัญใหญ่ที่สุดก็คือเอากรรมฐานไปก็บริหารกรรมฐานเน้นไปเวทนาทางกายชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอาจจะว่าเป็นเหตุให้ถึงทุกข์ชื่อว่าหนาเพราะอาจว่านานเน้นนาแน่นคือความทุกข์ที่มันเบียดชื่อว่าแข็งเพราะวาถว่าหยาบชื่อว่ากล้าเพราะว่าขมชื่อว่าไม่น่ายินดีเพราะเว้นจากความยินดีชื่อว่าไม่น่าชอบใจเพราะถ้าว่าไม่เป็นที่เจริญใจชื่อว่าเป็น เครื่องฆ่าชีวิตได้ภิกษุอดกั้นเวทนานั้นได้คือไม่หวั่นไหวได้แก่ดำรงอยู่ตามปกติเหมือนพระประธานิยะเทระผู้อยู่ที่จิตตดาบันพศภิกษุนั้นทราบว่าเป็นผู้มีปกติอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นคือพระเทระในยืมบำป็นเพียนอยู่ตลอดคืนลมในท้องก็เกิดขึ้นท่านไม่สามารถจะอดกั้นลมนั้นได้ก็บิดไปบิดมาดังที่ได้เคยเล่าแล้วก็ ถือการเที่ยวบินนาบาัตพระเถระผู้ถือเที่ยวการบินนบาตอยู่วัดรูปหนึ่งยืนอยู่ข้างที่จงกรมกล่าวกับท่านว่าอาวุโสธรรมดาบรรพชิตเป็นผู้มีปกติอดกลั้นเนี่ยพระเถระก็บอกดีแล้วผู้เจริญดังนี้แล้วก็นอนสงบนิ่งไม่ไหวติ่งล้มข้างในก็แล่นเสียหัวใจไปจนถึงนาพี ถ้าเทลัคมเวทนาเจริญวิปปาระเพียงคู่เดียวได้เป็นพผ้านาคามีแล้วปรินิพานใช่ไหมเป็นพผ้านาคามีแล้วต่อมาก็ปรินิพานเนี่ยคือเป็นพระอาหารหัน์เดิมอันนี้คืออ น, นิสงค์ของการอดกลัน้นทำยากจะพูดอย่างนี้ทํายากมาลมข้างในเสียดเวลาผุรุูชนอย่างเราเราทั้งหลายที่ผ่านการฝึกแบบนี้มันน้อยนี่นะแค่ลองไปเจออย่างโรกมะเร็งเนี่ย แต่ก่อนฟังคนที่ก็เป็นโรคมะเร็งก็าบอกโอ้ยเขาทนได้อยู่แล้วใจเขาอดทนอาจารย์บอกว่าอา่านึกยิ้มๆคือพูดไว้ก่อนตอนที่มะเร็งยังไม่ลุกลามพูดได้แต่พอทํามะเร็งลุกลามเป็ดเสร็จนะร้องหายาแก้ปวดทุกอยางได้ยาแก้ปวดนี่นะทำใหม่ๆให้พบหนี่งจะได้อยู่สี่ชั่วโมงได้อย่างน่าเข้าน่าเข้าเอาไม้อยู่หรอก ถึงจะให้ยาเข็มคนกันหน่อไหมไม่เกินสามสี่นาทีเอือไม่เกินสิบยี่สิบนาทีก็บวชให้จนติดยาให้จนกากลายเป็นติดยามันถึงบอกว่าถ้าหากไปเจอโรคล้ไล้ขึ้นมาเนิ่ย้ชีวิตทรมานมากทีนี้ถ้ากลุ่มบุคคลที่มีกรรมฐานแบบประเภทแบบช่ชําชองแบบนี้เนอะก็แปลว่าในชีวิตของท่านอย่างพระเทล่าและดับพวกนี้ถามบามงทีบางองค์บา ง, งท่านเนี่ยสี่สิบปีท่านไม่เคยทิ้งกรรมฐานเลยเข้าใจใช่ไหม แปลว่ากรรมฐานท่านแน่มากคือปกตินี่ไม่ต้องพูดถึงขนาดจะทุกขเวทนาขนาดเนี้ยพอมีคนเตือนสติปุ๊บแค่นั้นท่านหยุดแล้วก็กําหนดได้แล้วบรรลุทันทีบางทีท่านอาจจะเผลอเหมือนกันนะใจอาจจะพรางแต่มีคนไปเตือนปุ๊บจะนิ่งเลยนี่คนฝึกมาดียังกลุ่มอย่างเราเราทั้งหลายที่ไม่ค่อยได้อยู่กับกรรมฐานเฮ้ยมีคนไปเตือนเพื่อนกันอย่าร้องมากกรรมฐานที่พามาที่ไปฟังอะไรมาเอาไม่อยู่ที ก็แต่ถ้าหากเราฝึกของเราทุกวันทุกวันเนี่ยฉั้นกรรมฐานที่เราฝึกกันทุกวันนี่เพื่ออะไรรู้ไหมเวลาตายเราจะได้ก่อนตายนะนะมันจะได้เอาตัวเองอยู่บ้างแค่ตรงนั้นเนะี่ยมันจะได้ไม่เป็นพาล่ของบุคคลอื่นมาถ้าอย่างนั้นโอ้โหลองคิดดูว่าแต่ทุกวันนี้ก็าดีอยู่อย่างเนะียถ้าจะตายเนี่ยเออเราก็มีกฎหมายเราไม่ให้หมอทําอะไรเราก็ได้ ใช่ไหมให้ตอบอาการเลยอะ่ะหนึ่งไม่ต้องใส่ท่อใส่อะไรต่างๆแล้วก็บอกหมอเขาได้เลยดนะิไม่ต้องใส่ท่อไม่ต้องผูกใส่ทิ้วไม่ต้องไปเจาะไปอะไรต่างๆเหรอเนี้ยด้ถ้าเป็นมะเร็งไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องอะไรก็ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นสิทธิเอออันนี้ดีเป็นเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องมาปอมหูตรงหูจุงหัวใจเนี่ยเราสั่งไปได้หมดเลยคือถ้าจะไปขอไปแบบ ตามสภาพของโลกที่มาเบียนเบียนลเอาตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ก็คือว่าทําทยังไงไม่ให้คนมารบกวนเยอะๆเวลาจะตา ย, ยาจริงๆคนนึนก็พ่อคนนี้ก็แม่คนนี้ก็ป้าคนนี้ก็พี่คนนี้เราป้าเป็นตัวใช่ไหมมาอ ย, ย่างนี้ยุ่งเนียเราก็ห่วงจะไม่ใช่จะตายเรียกคนนี้เรียกคนนี้ไปเลยเทาจะอยู่ยังไงอยู่กรรมฐานแล้วก็ไปอางกรรมฐานเตรียมไว้อย่างแตเตรียมไว้นั้น เองยิง่ต้องเตรียมไหมต้องเตรียมไมยมไมังต้องเตรียมแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมว่าเออเวลาจะไปก็ไปแบบคือไปแบบไหนนีิเวลาเราจะมาเกิดใหม่พอแม่ก็ยินดีใช่ไหโอ้ชื่นใจที่เราเกิดถ้าจะไปก็ต้องให้คนเขายินดีเ้ายินดียังไงโหรอให้ไปตั้งนานไป่ไปไงไม่ใช่เงี้ยหมายความว่ า, วาเขาเขาพากันยินดีโอ้ทานวันนี้ไปแบบสงบไปแบบคนมีบุญ ถ้าใครมีบุญก็จะได้ไปดีๆแบบนั้นไปโดยชนี้ที่ว่ามีธรรมะฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเพราะเสียงธรรมะมีคนบอกทางที่มีรู้กรรมฐานไงนะมีคนบอกทางที่รู้คําสอนเนยะซึ่งเป็นเรื่องน่าประาดสนามากถ้าจะไปจริงๆมีคนมาคอยบอกกรรมฐานหรืออ่ากล่าวคําสอนของพุทธเจ้า ที่ท่านได้รับฟังจบปแล้วนั้น<ล>เป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประสุนสทบตรกโมมวัดกลางอำเภอ <โล S 2> บางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ฟังครับการให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวงสมดังพุทธภาสิตบทที่วา่าสัพพทานาังธรรมทานาังชินาติขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่ททานสวัสดีครับโมโหขโวัชอกสุลอกสละมอโม พานาติปาโตขกุสลมพานาติปาตาเบระมั อดินนาดาลัมขโววัชกุศลัมอดินนาดานาเวรมันยุกุศล कामेसु म ि च ् छ ा च ा र ो खो बच्छ अकुसलम कामेसु मिच्छाचारा बेरमनी कुसलम มูซาบาดอัลกูวัชอะกุสัลลัมมูซาบาดอัลเวดมกสล बिसुना ब ा च ा खोबच ् अकुसलम बिसुना बाँचा या बेरमनी कुस s a a a a khobchat s a l a m f a r s a y a wajaya. สัมผัพพลาปขโววัชกุศลัมสัมผัพ ल ล प ป व วรมันुก ल म अ भ ि छ ा ข้อบัตรฉันกุศลนั้นอิชชากุศลวียาโดข้อบัตรฉักุศลนอาบยาโดกุล ขวบวัชอะกุสัลลัมสมาดิกทีกุสลัมอิติขววัชตัสดัมมาอกุสล ดัสดัมมาคุสะ